บทที่ 4. การสะกดจิตเมื่อเราได้ยินพูดถึงเรื่องการสะกดจิตความคิดของเรามักจะเกิดขึ้นในทางที่ว่าไม่ตรงกับความจริงทางวิทยาการประการแรกเรามักจะเข้าใจว่าเป็นเครื่องมือใช้ในการร้ายและข้าพเจ้าผู้เขียนหนังสือนี้เองก็เคยมีความเข้าใจอย่างนี้มาครั้งหนึ่งแต่เมื่อได้ลองอ่านลองพิเคราะห์ในหนังสือหลายเรื่องตำราหลายเล่มซึ่งเขียนโดยนักวิทยาการแท้ เช่นหนังสือที่เขียนโดยแพทย์สมัยใหม่ที่สุดตำราที่เขียนโดยนักค้นคว้าชั้นหลังที่สุดก็แลเห็นชัดขึ้นทุกทีว่าเรื่องสะกดจิตนั้นไม่ใช่เรื่องเลวไหลหรือเลวร้ายแต่เป็นวิทยาการซึ่งผู้สนใจศึกษาทางวิทยาการเกี่ยวกับดวงจิตหรือค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาที่ลึกลับควรจะได้พินิษพิเคราะห์และหาความรู้ในเรื่องนี้พอสมควร มูลเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราไม่ค่อยสนใจหรือผ่านเลยเรื่องสะกดจิตไปเสียโดยไม่อยากศึกษาหรือพินิษพิจารณานั้นก็เพราะเห็นว่าเราทำไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะศึกษาอันที่จริงเรื่องที่จะกระทำตนให้เป็นผู้สามารถถึงกับสะกดจิตคนได้นั้นเป็นเรื่องยากมากและในโลกสมัยหนึ่งหนึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ไม่กี่คนแต่เรื่องสะกดจิตนี้ไม่ใช่อื่นไกล คือเรื่องจุงจิตที่กล่าวมาในบทที่สนั่นเองแต่เป็นการจุงจิตอีกวิธีหนึ่งถ้าเราจะลองศึกษาพิจารณาเรื่องสะกดจิตนี้ดูถึงแม้ว่าเราจะทำไม่ได้ก็จะช่วยให้ความรู้แจ่มแจ้งในเรื่องการจุงจิตขึ้นอีกเป็นอันมากเรื่องสะกดจิตเป็นเรื่องที่แพร่หลายมากในยุโรปสมัยปัจจุบันแพร่หลายจนกระทั่งนามาแสดงให้คนดูในโรงละครได้ผู้ที่ดูการแสดงสะกดจิต ในโรงละครมักเกิดมีความคิดเป็นสองอย่างความคิดประการแรกคือสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องหลอกลวงคือคนที่แสดงว่าถูกสะกดนั้นก็เป็นพวกเดียวกันซึ่งจะบังคับให้ทำอะไรก็ได้แต่ก็มีพฤติการบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ธรรมดาสามัญไม่สามารถจะทำได้เช่นเมื่อสะกดให้หลับแล้วตัวก็แข็งเหมือนท่อนเหล็ก เอาเก้าอี้มาสองตัวสีสาพาดที่เก้าอี้ตัวหนึ่งปลายเท้าพาดที่เก้าอี้อีกตัวหนึ่งตอนกลางไม่มีอะไรตัวคนที่ถูกสะกดนั้นยังเห็นอยู่ได้เอาคนขึ้นมานั่งทับตอนกลางอีกคนหนึ่งก็ยังแข็งอยู่นั่นเองเรื่องอย่างนี้มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถจะทําได้เป็นแน่นอนวิธีการที่แสดงกันบ่อยๆตามโรงละคร น, นั้นคือเมื่อสะกดแล้วคนที่ถูกสะกดยืนตัวแข็งอยู่กับที่ คนสะกดเอาผ้าผูกตาแล้วก็เชิญคนดูขึ้นมาบนเวทีให้เขียนตัวเลขลงในกระดานดำจะเขียนจำนวนเท่าไรก็ตามทีเมื่อคนสะกดร้องถามคนถูกสะกดว่าตัวเลขที่ผู้ดูมาเขียนนั้นเป็นจำนวนเท่าไหร่คนที่ถูกสะกดจะตอบถูกต้องทุกครั้งไปคนดูคนไหนจะขึ้นมาเขียนก็ได้ถ้าผู้สะกดมองเห็นตัวเลขนั้นแล้วคนที่ถูกสะกดก็บอกได้ถูกต้องเสมอ ไม่ว่าเป็นจำนวนแสนจำนวนล้านเรื่องอย่างนี้มีแสดงกันบ่อยๆจนเป็นของธรรมดาเมื่อเราแลเห็นความจริงอย่างนี้เราก็ต้องเปลี่ยนความคิดในทางที่ว่าเรื่องสะกดจิตที่เอามาแสดงให้มหาชนดูนั้นเป็นการหลอกลวงเราต้องยอมรับว่าการสะกดจิตเป็นของทำได้จริงแต่คราวนี้เราก็เกิดมีความคิดขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือว่าการสะกดจิตนั้นไม่ใช่ของดีแน่ ต้องเป็นมายาการชนิดที่เลวร้ายสามารถจะใช้ทาร้ายบุคคลหนึ่งบุคคลใดรวมทั้งตัวผู้ถูกสะกดเองเช่นเมื่อถูกสะกดแล้วก็สามารถบังคับให้ผู้ถูกสะกดนั้นไปทำอะไรก็ได้เช่นให้ไปฆ่าคนก็ได้หรือตัวผู้ถูกสะกดนั้นอาจจะยอมให้ผู้สะกดทำอะไรก็ได้ความคิดอย่างว่านี้มีอยู่ทั่วไปแล้วก็เป็นความคิดธรรมดาของมนุษย์เราที่มักจะกลัวของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ความกลัวอันนั้นย่อมจะทําให้ระแวงไปในทางที่ว่าจะใช้ทางผิดทางร้ายใครที่มีชื่อว่าสะกดดวงจิตได้ก็ไม่อยากมีคนเข้าใกล้เพราะไม่รู้ว่าจะถูกสะกดเพื่อประทุษร้ายหรือเพื่อให้ทําการร้ายอย่างหนึ่งอย่างใดเมื่อใดบ้างด้วยเหตุต่างๆดังกล่าวมาข้างต้นนี้วิชาเรื่องสะกดจิตจึงไม่ใช่วิชาที่นิยมชมชอบกันทั่วไปเพราะการที่จะสร้างสมรทธภาพ ให้สะกดจิตได้ก็ไม่ใช่เป็นการง่ายอยู่แล้วครั้นเมื่อทำร้ายเข้าจริงและคนเชื่อว่าทำได้จริงก็กลายเป็นที่เกลียดกลัวของคนทั้งหลายแต่ในบรรดาผู้ที่ค้นคว้าเชิงวิชาการอย่างแท้จริงก็ดีในหนังสือตําราที่เป็นหลักฐานทางวิชาการแท้ก็ดีไม่ได้ถือว่าการสะกดจิตเป็นเรื่องเลวร้ายเช่น e n c y c l o p e d i a Britannica ซึ่งได้สร้างขึ้นเป็นตาราวิทยาการที่เที่ยงตรง เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาแท้และผู้เขียนทุกคนในตำราชุดใหญ่ยิ่งชุดนี้ได้ใช้ความระมัดระวังรวมทั้งองค์การที่สร้างเอนไซคปีเดียนี้ก็ได้ใช้ความสุขุมรอบคอบเพื่อให้นังสือชุดใหญ่นี้เป็นตำราวิชาการอย่างแท้จริงยังกล่าวถึงวิชาสกดจิตว่าไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายแต่เป็นวิชาการอันหนึ่งซึ่งมีจริงเป็นจริงและเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ด้วยเอนไซคปีเดีย บริเตนิกาเขียนไว้ว่าเรื่องอันตรายที่เกิดจากการสะกดจิตนั้นกล่าวกันมากเกินความจริงแท้จริงถ้าการสะกดโดยผู้เชี่ยวชาญแท้ก็มีแต่ทางดีไม่มีทางที่จะเกิดผลร้ายอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกรงกันว่าผู้ถูกสะกดอาจจะถูกบังคับให้ทำความผิดหรือความเลวร้ายอะไรเช่นนั้นการทดลองในหมูนักวิทยาการก็ปรากฏผลชัดว่าแม้ผู้สะกดจะเป็นผู้สามารถหรือเชี่ยวชาญสักเพียงใด ก็ไม่สามารถจะบังคับให้ผู้ถูกสะกดทำอะไรที่เป็นการฝืนนิสัยฝืนลักษณะอันแท้จริงของบุคคลผู้นั้นไปได้เช่นบุคคลที่ไม่มีนิสัยเป็นผู้ร้ายผู้สะกดจะเชี่ยวชาญปานใดก็ไม่สามารถจะบังคับให้ไปฆ่าหรือทำร้ายใครผู้สะกดจะบังคับให้ผู้ถูกสะกดทำได้ก็แต่เฉพาะเรื่องซึ่งถูกกับนิสัยและตรงกับความต้องการของผู้ที่ถูกสะกดอยู่แล้วเท่านั้น เมื่อหนังสือตำราที่รักษาความเป็นหลักฐานเที่ยงธรรมได้ให้คำอธิบายไว้อย่างนี้ความระแวงสงสัยว่าจะเป็นของเลวร้ายนั้นก็ลดน้อยไปและข้อที่กล่าวกันมาแต่ก่อนว่าการสะกดจิตไม่ใช่วิทยาการนั้นก็เป็นอันหมดปัญหาเพราะผู้ที่สนใจในวิชาสะกดจิตนั้นล้วนเป็นนักวิทยาศาสตร์เกือบทั้งสิ้น พวกที่เชี่ยวชาญในทางสะกดจิตเกือบทุกคนล้วนเป็นนายแพทย์ที่สำคัญสำคัญไม่ปรากฏว่าบุคคลพวกอื่นจะฝึกฝนจนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสะกดจิตได้เหมือนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสะกดจิตเท่าที่จะหาได้ในเวลานี้ล้วนเป็นแพทย์ที่ได้ศึกษาวิชาการแพทย์สมัยใหม่อย่างดีที่สุดแล้วทั้งสิน้นฉะนั้นจึงเชื่อได้ว่าเรื่องสะกดจิตนั้นเป็นวิทยาการอย่างแท้จริง เพราะถ้าไม่ใช่วิทยาการแท้พวกนักวิทยาศาสตร์และแพทย์คงไม่สนใจอันที่จริงเรื่องสะกดจิตนั้นก็ไม่ใช่อะไรเป็นเรื่องของการจุงจิตนั่นเองในบทที่สามทั้งบทได้แสดงให้เห็นมาแล้วว่าการจุงจิตนั้นเป็นอย่างไรมนุษย์เราสามารถจะจุงจิตตัวเองหรือคนอื่นได้อย่างไรเราคงจะยอมรับกันแล้วว่ากระแสจิตนั้นเป็นของที่มีอยู่จริงคนคนหนึ่งอาจจะส่งกระแสเข้าไปชักจูงอีกคนหนึ่งได้ และการจุงจิตตัวเองที่เรียกว่าออโตสเก t ชันนั้นสามารถทำให้เกิดผลแก่ร่างกายถึงกับรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายไปได้นักสะกดจิตที่ลือนามเป็นคนแรกของโลกคือชาวออสเตรียชื่อ m มสเมอร์ซึ่งเป็นคนเกิดเมื่อ200ปีเศษมาแล้วและประวัติของบุคคลผู้นี้เราได้ศึกษากันภายหลังเราเริ่มเรียนเรื่องของท่านผู้นี้สักเล็กน้อยก่อนเพื่อให้เราเข้าใจว่าการสะกดจิตนั้นคืออะไร ขนนางผู้มั่งคั่งคนหนึ่งเป็นโรคปวดที่คอบางครั้งกล้ามเนื้อที่คอรัดตึงทำให้เกิดอาการปวดเป็นทุกขเวทนาอย่างสาหัสบางครั้งก็หายไปบางคราวก็มีขึ้นมาใหม่มีอาการปวดเฉยๆบ้างมีกล้ามเนื้อรัดตึงทำให้ปวดเจ็บอย่างร้ายแรงบ้างแพทย์ในสมัยนั้นได้พยายามตรวจรักษาก็ไม่มีใครเข้าใจว่าอาการเจ็บปวดอย่างนั้นมาจากอะไรไม่มีใครสามารถรักษาให้หายได้ ขณะนั้นเมสเมอร์ mer, เริ่มจะมีชื่อเสียงจึงมีคนแนะนำแก่ขุณนางผู้นั้นว่าให้เมสเมอร์ทดลองรักษาตามวิธีการอย่างใหม่ของเขาขุณนางผู้นั้นก็ขอเชิญเมสเมอร์มารักษาเป็นพิเศษและให้พักอยู่ที่บ้านของตนในขั้นแรกเมสเมอร์รอคอยอยู่จนกระทั่งถึงเวลาที่ความปวดเกิดขึ้นพ่อคุณนางบอกว่าความปวดเริ่มแล้วเมสเมอร์ก็ขอให้ชี้ให้แน่ว่าปวดที่ตรงไหน พอคุณนางผู้นั้นชี้ให้เมสเมอร์ก็เอานิ้วของตนวางแตะลงตรงที่ปวดนั้นวางแตะอย่างเบาๆอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็ถามคุณนางผู้นั้นว่ารู้สึกร้อนจัดตรงที่ที่เขาเอานิ้วแตะหรือไม่คุณนางผู้นั้นตอบว่าไม่รู้สึกความร้อนอะไรเลยเมสเมอร์จึงบอกว่าถ้าไม่รู้สึกความร้อนจากนิ้วของเขาเลยโรคของท่านคุณนางผู้นี้ก็เป็นแต่โรคอุปท า, านคือไม่ใช่โรคจริงจังอะไร เป็นแต่ท่านขุนนางนึกไปเองว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นจริงขึ้นมาเขาปล่อยนิ้วไว้ที่นั่นต่อไปและบอกให้ขุนนางผู้นั้นคอยสังเกตต่อไปอีกว่าความร้อนจะบังเกิดขึ้นหรือไม่ถ้ามีความร้อนร้อนอย่างไฟจี้ก็แปลว่าโรคนั้นมีจริงถ้าไม่มีความร้อนอย่างนั้นเลยแปลว่าเป็นโรคอุปทานคือไม่ได้มีโรคภัยอะไรเป็นแต่ท่านขุนนางคิดไปเองก็รู้สึกไปเองรู้สึกร้อนไหมเมสเมอร์ถาม ไม่มีความร้อนอะไรคุณนางผู้นั้นตอบโรคอุปทานแน่เมสเมอร์กล่าวท่านควรจะรู้สึกร้อนเหมือนไฟจี้จากนิ้วมือของข้าพเจ้าไม่รู้สึกอะไรถ้าเช่นนั้นท่านก็ไม่มีโรคอะไรเป็นแต่ท่านคิดเอาเองแล้วท่านก็เจ็บป่วยเองท่านไม่มีโรคโรคที่แท้จริงในร่างกายของท่านไม่มีสมุตติฐานแห่งความเจ็บปวดอันนี้มาจากการที่ท่านหลอกตัวท่านเองร่างกายของท่านสมบูรณ์ดีทุกอย่างไม่มีอะไรเลย คำพูดเหล่านี้ทำให้ความปวดของขุนนางผู้นั้นลดน้อยในทันทีทันใดและในช่วงเวลาประเดี๋ยวเดียวก็หายไปผู้ที่เขียนอธิบายวิธีการของเมสเมอร์ในตอนนี้ได้อธิบายว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากการจุงจิตวิธีที่เอานิ้วแตะแล้วบอกว่าไม่ร้อนเป็นฝ่ายนั้นเป็นแต่เพียงอุบายที่จะจูงจิตใจขุนนางผู้นั้นให้เชื่อว่าตัวกาลังหลอกตัวเองเมสเมอร์เองก็ทราบดีอยู่ว่าความร้อนจะไม่บังเกิดขึ้นจากการที่ตนเอานิ้วไปแตะเข้า ท่านขุนนางผู้นั้นก็ไม่รู้สึกความร้อนอะไรเมสเมอร์ก็ไม่ต้องการให้มีความร้อนอะไรเกิดขึ้นแต่อุบายของเขาคำพูดของเขาได้ใช้เพื่อประโยชน์ที่จะจูงจิตให้ขุนนางผู้นั้นคิดว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยของตนนั้นเป็นเรื่องอุปทานจริงๆตนไม่มีโรคอะไรพูดเข้าหลายครั้งหลายหนพอ่อขุนนางผู้นั้นยอมเชื่อว่าเป็นอุปทานความเจ็บปวดก็ระงับหายไปได้เหมือนกันจะเห็นได้ว่า วิธีการของเมสเมอร์ที่เล่ามาในตอนนี้เป็นเรื่องจูงจิตแท้ๆแต่เขามีวิธีจูงที่แนบเนียนแยบคายสามารถทำให้ความเจ็บปวดซึ่งบังเกิดขึ้นนั้นหายไปได้แต่โรคนั้นมีอยู่จริงๆไม่ใช่โรคอุปท า, านอย่างที่เมสเมอร์ชวนให้ขุนนางผู้นั้นคิดการรักษาด้วยวิธีจูงจิตอย่างที่ทำมาแล้วนั้นยังไม่ช่วยให้หายได้เด็ดขาดเป็นแต่ช่วยระงับความเจ็บปวดเมื่อบังเกิดขึ้นให้บรรเทาและหายไปได้ แต่ความเจ็บปวดก็ยังมีขึ้นใหม่เป็นครั้งเป็นคราวอยู่เสมอคราวนี้เมสเมอร์ต้องใช้วิธีสะกดจิตคือทำให้หลับแล้วก็พูดให้ฟังในเวลาหลับว่าโรคอันนี้หายไปแล้วเพราะว่ากำลังต่อต้านในตัวของขุนนางผู้นั้นเองแข็งแรงมากสามารถทำลายโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ได้ขอให้คุณนางเชื่อใจว่าโรคนี้หมดไปจริงๆขอให้เชื่อในกาลังต่อต้านที่ขุนนางผู้นั้นมีอยู่ในตัวว่าสามารถจะปราบโรคอันนี้ได้ สามารถจะทำให้หายขาดเมสเมอร์ทำการสะกดจิตอย่างนี้เพียง2ถึงสครั้งโรคของคุณนางผู้นั้นหายไปจริงๆและความเจ็บปวดไม่ได้มีขึ้นอีกเลยหายไปได้โดยไม่ต้องกินอะไรและเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เมสเมอร์ได้ชื่อเสียงได้รับความนิยมอย่างใหญ่หลวงเรื่องของเมสเมอร์ที่เล่ามาในตอนนี้เป็นการอธิบายอย่างชัดแจ้งว่าการสะกดจิตนั้นคืออะไรการสะกดจิตก็คือการจูงจิต ผู้ที่รักษาโรคของขุนนางผู้นี้ให้หายนั้นไม่ใช่เมสเมอร์แต่เป็นตัวของขุนนางผู้นั้นเองคือเมื่อคุนนางผู้นั้นถูกจุงจิตให้เชื่อว่าโรคอันนั้นไม่มีจริงล่วงจิตของขุนนางผู้นั้นเองก็รักษาตัวเองคือข่มความเจ็บปวดให้หายไปได้ชั่วครั้งคราวแต่ยังไม่มีกำลังแรงเพียงพอเพราะการจุงจิตคนในขณะที่ตื่นอยู่นั้นย่อมจะได้กำลังจูงน้อยกว่าจะทําให้หลับเสียก่อนถ้าทําให้หลับลงไปได้ และดวงจิตอยู่ในสภาพที่ทางพระเรียกว่าพะวังขจิตแล้วกำลังจูงย่อมจะแข็งแรงมากฉะนั้นเมื่อคุณนางผู้นั้นถูกสะกดและจูงจิตว่าในตัวของคุณนางผู้นั้นมีกำลังต่อสู้ซึ่งมีอยู่โดยธรรมชาติสามารถจะปราบหรือกว่าล้างโรคอันนี้ให้หมดไปการทำเช่นนี้ก็เกิดผลและที่เกิดผลนั้นก็ไม่ได้ผิดหลักวิทยาศาสตร์เพราะในตัวมนุษย์เรานั้น เครื่องมือที่จะต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บเรามีอยู่จริงๆตามธรรมชาติมนุษย์เราไม่ควรจะต้องใช้ยาเลยเพราะธรรมชาติได้ให้สิ่งต่อสู้ไว้เพียงพอมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเชื้อหรือกําลังต่อสู้ก็มีขึ้นมาในตัวแต่เชื้อหรือกําลังต่อสู้นั้นอาจจะไม่แข็งแรงพอต้องเอาดวงจิตเข้าช่วยให้กําลังแก่สิ่งซึ่งมีอยู่โดยธรรมชาตินั้นและสามารถจะต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บได้จริงๆ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราจึงไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวอันเป็นหลักฐานว่าผู้เชี่ยวชาญทางสะกดจิตได้ใช้วิธีสะกดจิตในทางอื่นนอกจากทางรักษาโรคแม้เรื่องของรัสปูตินที่ถือกันว่าเป็นมานรไร้คนหนึ่งในวิชาสะกดจิตก็ยังใช้วิชานั้นในทางรักษาโรคของมกุฎราชกุมารรัเสเซียซึ่งไม่มีใครรักษาได้ด้วยวิธีอื่นการใช้วิชาสะกดจิตสําหรับรักษาโรคนั้นก็เป็นเรื่องเข้าใจง่าย คือในชั้นแรกก็จูงจิตว่าโรคนั้นไม่มีอะไรเป็นแต่เรื่องอุปทานถ้าหัวใจยึดมั่นอย่างนี้โรคอาจจะหายไปก็ได้เช่นเรื่องของสตรีคนหนึ่งที่ปวดศรีรษะมาตั้งหลายปีไม่มีทางรักษาหายบังเอิญมาถูกนายแพทย์นิ้วมือพิการเคาะให้มีเสียงแปลกประหลาดเข้าเลยหายไปได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทต้นนั้นแล้วในบางกรณีโรคภัยไข้เจ็บอาจจะหายด้วยการจุงจิตในเวลาที่ตื่นอยู่ แต่ถ้าทำอย่างนั้นไม่สำเร็จแต่ถ้าทำอย่างนั้นไม่สำเร็จก็ต้องใช้วิธีสะกดให้หลับการสะกดหลับไม่ใช่ความประสงค์อย่างอื่นเลยเป็นความประสงค์แต่เพียงว่าไม่ให้ดวงจิตไประลึกถึงอย่างอื่นให้เชื่อฟังแต่ถ้อยคำของผู้สะกดอย่างเดียวความเชื่ออันนี้ย่อมมีผลรุนแรงสามารถจะบังคับร่างกายให้เป็นอย่างไรก็ได้และเนื่องจากเหตุนี้เองเรื่องที่นักสะกดจิตเอามาแสดงให้ประชาชนดูในโรงละครดังกล่าวมาข้างต้นว่า เวลาสะกดแล้วให้ทำตัวแข็งอย่างท่อนเหล็กท่อนไม้ศีษะพาดเก้าอี้ตัวหนึ่งปลายเท้าพาดเก้าอี้อีกตัวหนึ่งตอนกลางไม่มีอะไรรองรับยังแข็งอยู่ได้แม้คนขึ้นไปนั่งอีกคนหนึ่งก็ยังอยู่ได้เรื่องนี้ก็ได้วิธีอย่างเดียวกันคือเมื่อสะกดให้หลับแล้วก็จูงจิตให้เชื่อว่าตัวของเขาจะแข็งเหมือนท่อนเหล็กท่อนไม้การถูกจุงจิตอย่างนั้นมีผลทาให้ตัวแข็งเป็นเหล็กเป็นไม้ไปได้จริงๆ เมื่อกล้ามเนื้อทุกกล้ามจะอยู่ใต้คำสั่งของดวงจิตไม่ใช่ดวงจิตของผู้สะกดแต่เป็นดวงจิตของผู้ถูกสะกดนั่นเองจะบังคับตัวเองด้วยการจุงจิตจากผู้สะกดท่านผู้ที่สนใจในเรื่องของจิตคงทราบอยู่แล้วว่าจิตของมนุษย์เรานั้นมีอยู่สองชั้นชั้นหนึ่งเป็นชั้นนอกอังกฤษเรียกว่า outer m อีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นในซึ่งเรียกว่า inner m i n เรื่องจิตชั้นนอกกับจิตชั้นในนี้มีความขัดแย้งกันอยู่เสมอจิตชั้นในคิดอยากจะทำอะไรในทางที่ดี <c oughs> ก็มักจะถูกจิตชั้นนอกขัดแยง้งหรือชักชวนให้เขลอไปอย่างที่ปรากฏแกรเราเสมอว่าหัวใจหนึ่งเราอยากจะทำดีแต่ก็มีอีกหัวใจหนึ่งที่คอยจะชักจูงไปในทางชั่วหัวใจหนึ่งอยากจะคิดถึงเรื่องหนึ่งก็มีอีกหัวใจหนึ่งมาชักจูงให้คิดไปอีกเรื่องหนึ่ง การสะกดจิตไม่ได้สะกดหัวใจชั้นในเป็นแต่สะกดหัวใจชั้นนอกทำให้หัวใจชั้นนอกหมดกำลังหมดความวุ่นวายเหลือแต่ดวงจิตชั้นในซึ่งจะมีกำลังอย่างแรงกล้าสามารถจะรับกระแสจิตของผู้อื่นได้ดีอย่างเรื่องส่งกระแสจิตที่กล่าวมาในบทที่สองและด้วยเหตุนี้เองคนถูกสะกดจิตที่เอาผ้าปิดตาสามารถบอกจานวนเลขที่คนดูเขียนบนกระดานดาไม่ว่าจะเป็นจานวนเท่าใดบอกได้ถูกต้องเสมอ นั่นไม่ใช่อะไรผู้สะกดนั่นเองรู้ว่าตัวเลขนั้นเท่าไรส่รงกระแสจิตเข้าไปให้ผู้ถูกสะกดส่วนผู้ถูกสะกดซึ่งเหลือแต่จิตภายในที่เป็นจิตแนว่วแนว่รับกระแสได้ง่ายก็บอกได้ทันทีทันใดว่าเป็นจำนวนเท่าไรบอกได้อย่างไม่ผิดพลาดเราจะเห็นได้ว่าเรื่องสะกดจิตไม่ใช่เรื่องวิปราชไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่เป็นเรื่องต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเรื่องส่งกระแสจิต และเรื่องการจูงจิตนั่นเองเมื่อพูดกันในทางวิชาการเกี่ยวกับดวงจิตแล้วเรื่องสะกดจิตก็เป็นวิชาการอันหนึ่งแต่ก็คงเป็นวิชาการที่สูงมากสูงจนมนุษย์เห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องที่น่ากลัวเลยถูกข่าวว่าเป็นของร้ายไปทีเดียวเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้นเราจึงควรเรียนประวัติของเมสเมอร์พอสมควรอันที่จริงหนังสือตำราทุกแห่งรับรองต้องกันว่าเรื่องสะกดจิตนั้นไม่ใช่ของใหม่ ดูเหมือนว่าชาติเปอร์เซียจะทําได้ก่อนชาติใดๆในบรรดาชาติโบราณด้วยกันคือทําให้หลับแล้วก็ใช้ความหลับอันนั้นเป็นประโยชน์ในทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บอินเดียก็มีชื่อว่าทํามาแต่โบราณเหมือนกันส่วนทางยุโรปก็มีเรื่องกระแสกระสายหลายแห่งถึงเรื่องการที่พระบางหมู่บางคณะทําการสะกดจิตได้แต่อาจจะทํากันอยู่เงียบๆไม่โด่งดังเปิดเผยเรื่องทางยุโรปเพิ่งมาโด่งดังขึ้นในสมัยของเมสเมอร์ เมสเมอร์เป็นชาวออสเตรียเกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2276ที่เมืองไวนในประเทศออสเตรียไปถึงแก่กรรมในประเทศสวิตซ์เมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2357เมื่ออายุได้81ปีบุคคลผู้นี้ได้ศึกษาวิชาแพทย์ที่กรุงเวียนนาและสนใจในโหราศาสตร์เป็นพิเศษมีความเชื่อมั่นว่า ชีวิตของมนุษย์และทุกสิ่งทุกอย่างในพื้นพิภพนี้อยู่ใต้อิทธิพลของดวงดาวโชคดีโชคร้ายหรือเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นด้วยอิทธิพลของดวงดาวทั้งสิน้นความเชื่ออย่างนี้ก็เป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ซึ่งมีอยู่ทั่วไปแต่เมสเมอร์มีความเชื่อนอกเหนือไปจากที่คนทั้งหลายเชื่ออยู่ในเวลานั้นคือกระแสของดวงดาวนั้นสามารถจะนําเอาลงมาใช้ประโยชน์แก่มนุษย์ได้โดยใช้เครื่องล่อเช่นแม่เหล็ก เอากำลังของดวงดาวมาเก็บไว้แล้วก็ใช้เครื่องมืออันนั้นรักษาโรคภัยไข้เจ็บรวมความว่าความคิดเห็นของบุคคลผู้นี้ก็คือโหราศาสตร์กับวิชาไฟฟ้าผสมกันในสมัยนั้นความรู้เรื่องไฟฟ้ายังไม่เหมือนสมัยนี้เมสเมอร์ mer, อาจเป็นบุคคลรุ่นแรกที่รู้ว่ากระแสไฟฟ้านั้นอาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ได้แต่ความรู้ความเข้าใจที่เก่าและใหม่ผสมกันคือรู้เรื่องไฟฟ้า แต่เข้าใจว่าแต่เข้าใจว่าได้มาจากอิทธิพลของดวงดาวรู้เรื่องกระแสะไฟฟ้าแต่เข้าใจไปในทางที่ว่าเป็นอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถจะใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นความเชื่ออย่างครึ่งๆในระหว่างสยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ในขั้นแรกเมสเมอร์ได้คิดเครื่องมือซึ่งเป็นชนิดแม่เหล็กใช้เครื่องมือนั้นถูกต้องกับตัวคนไข้และคนไข้ก็รู้สึกกระแสะอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นจริง การรักษาของเมสเมอร์ด้วยวิธีนี้ก็คงจะบันดาลผลสำเร็จให้หลายรอบจึงมีคนนิยมและพากันมาให้รักษาเป็นจำนวนมากถึงกับเมสเมอร์ต้องคิดทำเครื่องมือที่ใช้ได้คราวและหลายๆคนนายแพทย์บายีแพทย์ประจำราชสำนักฝรั่งเศสซึ่งพระเจ้าหลุยที่หกได้แต่งตั้งให้ไปศึกษาวิธีการของเมสเมอร์ได้เขียนรายงานบรรยายสิ่งที่ตนเห็นในขณะที่เมสเมอร์ทาการรักษาคนหลายคนพร้อมๆกัน ด้วยเครื่องมืออย่างนี้ว่าคนไข่บางคนนั่งอยู่เงียบๆและดูไม่มีความรู้สึกแปลกอะไรส่วนคนที่มีการผิดแปลกจากปกตินั้นก็มีอาการต่างๆกันบางคนมีอาการไอบางคนมีหน้าตาแสดงความปวดป ร, ร้าวในบางแห่งมีหลายคนที่เหงื่อออกเต็มไปทั้งตัวบางคนบอกว่าปวดที่ท้องบางคนบอกว่าหูอื้อหรือได้ยินเสียงแปลกประหลาดมีบางคนที่ร้องไห้และบางคนก็หัวเราะ แต่เมื่อรอดูไปสักพักใหญ่ๆก็เห็นว่าคนเหล่านี้มีอาการอย่างเดียวกันคือเหนื่อยลงไปเพลียลงไปอ่อนกำลังลงเสียงพูดเบาลงความเคลื่อนไหวของร่างกายน้อยลงและในที่สุดก็หลับกันเกือบทุกคนเครื่องมือที่เมสเมอร์ใช้นี้อาจใช้ได้แก่คนที่มารักษาตั้ง30สบคนพร้อมๆกันความสำเร็จของเมสเมอร์ในการรักษาโรคด้วยเครื่องมืออย่างนี้จะมีสักเพียงไรไม่ปรากฏในรายงานที่เชื่อถือได้ สิ่งหนึ่งซึ่งแน่นอนก็คือความแตกตื่นเลื่อมใสในวิธีการของเมสเมอร์มากขึ้นทุกทีมีคนไปยอมตัวให้รักษาตามวิธีใหม่ของเมสเมอร์นี้ตั้งแต่คนชั้นต่ำที่สุดถึงชั้นสูงตั้งแต่คนจนไปจนถึงคนมั่งคั่งมหาเศรษฐีแต่ก็ไม่ปรากฏเหมือนกันว่าเมสเซอร์ได้เรียกค่ารักษาจนร่ำรวยอย่างไรดูเหมือนว่าจะทาให้เปล่าโดยมากต่อมาภายหลังเมสเมอร์ได้เดินทางไปสวิต ได้พบบุคคลผู้สนใจค้นคว้าในวิชาการอย่างเดียวกันนี้อีกคนหนึ่งชื่อกาสเนอร์บุคคลผู้นี้เองอยังทำอะไรไม่ได้เหมือนเมสเมอร์แต่ได้บอกกับเมสเมอร์ว่ามีพระรูปหนึ่งคุ้นเคยกับตนรักษาคนไข้ได้ด้วยวิธีการเอามือรูปอย่างเดียวโดยไม่ใช้เครื่องมือชนิดแม่เหล็กอย่างเมสเมอร์หรือเครื่องมืออะไรเลยเมสเมอร์ได้ร้องขอให้กาสเนอร์พาไปดูวิธีการของพระรูปนั้นก็เห็นได้ชัดว่า พระรูปนั้นใช้แต่วิธีเอามือลูบที่ตัวคนไข้แล้วคนไข้ก็หลับพระรูปนั้นใช้การหลับของคนไข้นั้นกล่าวจงใจให้หายโรคภยคัยไข้เจ็บเป็นอันว่าพระรูปนั้นทำได้ด้วยมือของตนเองโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยแต่อย่างใดเลยเมสเมอร์ลองดูบ้างก็ปรากฏผลว่ามือเปล่าของตนนั้นสามารถทำให้คนหลับและรักษาโรคภยคัยไข้เจ็บได้เหมือนกันเมสเมอร์จึงตกลงใจทิ้งเครื่องมือที่เคยใช้ และทำด้วยตัวของตัวเองอย่างที่พระทำก็ได้ผลอย่างเดียวกันผู้แต่งหนังสือบรรยายวิธีการของเมสเมอร์ในตอนนี้กล่าวว่าเมสเมอร์ควรจะรู้แล้วว่าการทำให้คนไข้หลับก็ดีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยวิธีนั้นก็ดีเป็นเรื่องของการจูงใจเป็นเรื่องของการสะกดซึ่งมนุษย์เองสามารถจะทำได้ แต่เมสเมอร์ก็ยังไม่เข้าใจอย่างนั้นภายหลังที่ทําสําเร็จได้โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือเมสเมอร์ก็กลับเชื่อว่าตนเองได้อํานาจจากดวงดาวความเชื่อในเรื่องอิทธิพลของดวงดาวยังไม่หมดไปจากเมสเมอร์เมสเมอร์ยังแสดงความคิดเห็นและวิธีการของตนในทางที่ว่าตัวเขาเองเป็นผู้บรรทุกอิทธิพลของดวงดาวไว้และสามารถจะกระจายกระแสอิทธิพลอันนี้ให้แก่คนไข้ได้มาถึงตอนนี้ เมสเมอร์ก็สามารถทําให้คนตั kind of a a the ้งยี่สิถึงสาสิบคนหลับได้พร้อมๆกันอย่างเดียวกับเมื่อใช้เครื่องมือและข่าวลือในเรื่องอิทธิพลอันมหัศจรรย์ของเมสเมอร์ก็มีมากขึ้นทุกทีภายหลังที่ได้ท่องเที่ยวไปในเมืองต่างๆหลายเมืองแล้วเมสเมอร์ก็กลับมากรุงเวียนนาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่เดิมของเขาชาวเวียนาก็แตกตื่นขอให้เมสเมอร์แสดงวิธีการอันนี้ให้ดูจึงมีหมู่คนมาประชุมกันเป็นจํานวนมากหลาย ในขณะที่เมสเมอร์กำลังจะแสดงวิธีการของตนให้คนหมู่มากดูนั้นก็ถูกตำรวจเข้ามาขัดขวางและได้รับคำสั่งของตำรวจให้เมสเมอร์ออกจากกรุงเวียนานาภายใน24ชั่วโมงเพราะทางตำรวจถือว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการหลอกลวงประชาชนและก่อความตื่นเต้นเชื่อถือในทางที่ผิดเมสเมอร์ได้เข้ามากรุงปารีสเมื่อพุทธศักราช2321เวลานั้นเมสเมอร์มีอายุ45ปีและเมื่อเข้ามาปารีส ผู้คนก็แตกตื่นมากขึ้นมีคนมาขอให้ทำการรักษามากยิ่งขึ้นรัฐบาลฝรั่งเศสเองก็เลื่อมใสถึงกับเจรจากับเมสเมอร์ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะให้บำนาญแก่เมสเมอร์เป็นจำนวนถึงปีละสองหมื่นปอนฝรั่งเศสถ้าเมสเมอร์จะยอมเผ ย, พยแพร่วิชาอันนี้ให้เป็นวิชาที่สอนและเรียนกันได้สำหรับเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปแต่เมสเมอร์ก็ยังยืนยันในความเชื่อของตัวว่า ไม่ใช่วิชาที่จะสอนและเรียนกันได้การที่ใครมีความสามารถทำได้อย่างนั้นต้องเป็นบุคคลพิเศษที่สะสมอิทธิพลของดวงดาวไว้ในตัวและเป็นความมหัศจรรย์ซึ่งไม่สามารถจะสอนหรือเรียนกันได้ที่เมสเมอร์ยืนยันออกไปอย่างนั้นก็คงเป็นด้วยเหตุสองประการประการหนึ่งเป็นความเชื่อโดยสุจริตใจของเมสเมอร์ว่าตนเองได้รับอิทธิพลของดวงดาวประการที่สองคงเป็นด้วยเมสเมอร์เองก็มองไม่เห็นว่า เรื่องนี้จะเรียนจะสอนกันได้อย่างไรเมสเมอร์เองก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องสะกดจิตนี้เป็นวิชาการอันหนึ่งซึ่งถ้าเมสเมอร์เข้าใจอย่างนั้นก็คงจะยอมรับบำนาญที่รัฐบาลฝรั่งเศสเสนอให้ถึงปีละสอง0 0่ปอนด์ซึ่งไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยและสามารถจะดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขไปได้ตลอดชีวิตเมื่อเมสเมอร์ไม่ยอมรับบำนาญไม่ยอมเผยแพร่วิชาการของตนและยืนยันว่า ตนเป็นผู้ได้รับอิทธิพลจากดวงดาวอย่างนี้มหาวิทยาลัยของฝรั่งเศสจึงประกาศว่าวิธีการของเมสเมอร์ขัดหลักวิชาการอย่าให้ใครเชื่อถือแต่ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะประกาศอย่างนี้ก็ยังมีคนนิยมเลื่อมใสามากขึ้นมีคน 2-3 ถึงคนมาฝากตัวเป็นสิทธ์เพื่อสังเกตจดจำวิธีการและลองทำดูบ้างในบรรดาคนที่มาฝากตัวเป็นสิทธ์นี้มีคนหนึ่งซึ่งเป็นขุนานางผู้ใหญ่ชั้นมาควิด ในที่สุดรัฐบาลฝรั่งเศสได้ตั้งกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขึ้นพิจารณาสอบสวนวิชาการของเมสเมอร์และคณะกรรมการนี้ได้วินิจฉัยว่าวิธีการของเมสเมอร์นั้นเป็นการล่อลวงไม่มีหลักฐานทางวิชาการอย่างหนึ่งอย่างใดเมื่อถูกคณะกรรมการของรัฐบาลวินิจฉัยอย่างนี้เมสเมอร์ก็เห็นชัดว่าคื้นอยู่ในประเทศฝรั่งเศสต่อไปคงจะมีอันตรายแก่ตัว ยิ่งคนเลื่อมใส่มากขึ้นอันตรายทางรัฐบาลก็จะมีมากขึ้นจึงได้ออกจากประเทศฝรั่งเศสเดินทางเข้าไปประเทศอังกฤษและในประเทศอังกฤษนั้นเมสเมอร์ก็ระมัดระวังไม่ติดต่อกับคนอย่างเปิดเผยมากมายอยู่ในประเทศอังกฤษไม่นานนักก็กลับไปประเทศสวิตคราวนี้เมสเมอร์เก็บตัวไม่ยอมติดต่อกับใครไม่ยอมใช้วิชานี้รักษาโรคหรือทําอะไรให้ใครเห็นจะเป็นเพราะกลัวถูกในประเทศออกจากสวิตอีก แล้วก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่เมสเมอร์เก็บตัวอยู่ในความเงียบอย่างนี้เป็นเวลาตั้ง30กว่าปีและก็ตายอย่างเงียบเชียบเหมือนกันนับตั้งแต่เมสเมอร์ถูกประนามโดยมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และคณะกรรมการวิทยาการของฝ ร, รั่งเศสและไปเก็บตัวเงียบเชียบอยู่จนกระทั่งถึงแก่ความตายแล้วก็ไม่มีใครกล้าแสดงความสามารถในทางสะกดจิตอย่างเปิดเผยความสนใจของคนได้ลดน้อยลงไปจนกระทั่งหายเงียบเชียบไป เช่นเดียวกับชีวิตของเมสเมอร์นับจากนั้นมาอีกตั้งหนึ่งปีการค้นคว้าเรื่องวิชาสะกดจิตนี้จึงได้มีขึ้นมาใหม่และคราวนี้ก็ได้ทําการค้นคว้าอย่างวิชาการที่แท้จริงคือเลิกความเชื่ออย่างที่เมสเมอร์เชื่อคือไม่เชื่ออิทธิพลของดวงดาวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอีกต่อไปแต่เชื่อในเรื่องอนุภาพและความมหัศจรรย์ของดวงจิตของมนุษย์เราเองสามารถจะบันดาลการสะกดจิตและใช้การสะกดจิตให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์เราได้ ผู้ที่สนใจอย่างยิ่งในเรื่องนี้ก็คือพวกแพทย์พวกที่เชี่ยวชาญในวิชาแพท ย, ทยศาสตร์สมัยใหม่เองมีสมาคมหลายแห่งตั้งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอังกฤษซึ่งได้ชื่อว่าสมาคมค้นคว้าวิชาลึกลับสมาคมนี้ทำงานไปได้มากได้ค้นคว้าทดลองวิชาจิตวิทยาในขั้นที่ลึกลับมหัศจรรย์เมื่อค้นคว้าหรือทดลองสิ่งใดไ ด, ได้ก็เชิญให้สมาชิกมาชุมนุมผู้ค้นคว้าได้ก็แสดงปากฐกถา และทำการทดลองให้ดูผู้ที่ได้ฟังได้เห็นแม้จะไม่ปรงใจเชื่อหรือยังร้แวงสงสัยอย่างหนึ่งอย่างใดก็ต้องยอมรับว่าความมหัศจรรย์ทางจิตของมนุษย์เรานั้นมีอยู่แน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการส่งกระแสจิตซึ่งไม่ใช่ของเลวของร้ายแต่เป็นของที่อาจใช้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ได้และไม่ใช่อิทธิพลของดวงดาวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ไหนแต่เป็นอานาจใจของมนุษย์เรานี้เอง สมาคมหรือสโมสร อ, อย่างเดียวกันได้เกิดขึ้นในประเทศอื่นอีกมากประเทศที่สนใจเป็นพิเศษในปัญหาเรื่องสะกดจิตนี้อีกแห่งหนึ่งคือเยอรม น, นีซึ่งเป็นเมืองค้นคว้าเราทราบอยู่ว่าเรื่องการค้นคว้าวิชาการทุกๆอย่างนั้นเยอรม น, นีไม่ย่อหย่อนกว่าใครโดยเฉพาะทางวิชาการสะกดจิตก็ได้เกิดการพรื้นฟื้นค้นคว้ากันอย่างใหญ่และเนื่องจากเมสเมอร์เป็นชาวออสเตรียซึ่งเป็นเชื้อชาติเยอรม น, นีอยู่แล้วคนเยอรมัน ก็สนับสนุนและลื้อฟื้นเอาหลักวิชาของเมสเมอร์ขึ้นมาพินิษพิเคราะห์และทดลองกันใหม่ในประเทศเล็กทางสแกนดิเนเวียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศฮอลแลนด์เดนมาร์กและสวีเดนก็ได้เริ่มการค้นคว้าใหม่เช่นเดียวกันภายหลังที่ต่างคนต่างทำอยู่พักหนึ่งพวกสโมสรสมาคมเหล่านี้ก็มีความคิดที่จะร่วมมือกันจึงได้ตั้งองค์การระหว่างประเทศขึ้นองค์การหนึ่งเรียกว่า International Institute of Physical Research ทำการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ค้นคว้าได้ให้แก่กันและกันได้ให้ความรู้ใหม่ค้นคว้าอะไรใหม่ก็บอกให้กันทราบมีนิตยาสารขององค์การนี้พิมพ์รายงานการประชุมรายงานการคนา้นคว้าและด้วยวิธีนี้เรื่องสะกดจิตจึงกลายเป็นวิทยาการขึ้นมาและทางมหาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์หรือองค์การบัณฑิตใดๆก็ไม่กล้าประนามอีกต่อไป การสะกดจิตได้กลายเป็นเรื่องที่วงการนักปรัชญาเองรับรองว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และสามารถจะใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทและก็ยอมรับกันว่าแม่วิชาสะกดจิตจะเป็นอาวุธที่มีกําลังแรงอันหนึ่งซึ่งสามารถจะใช้ในทางที่ผิดได้ก็ดีเรื่องที่จะนําไปใช้ในทางผิดทางร้ายได้นั้นมีน้อยแต่ที่จะใช้ในทางดีได้นั้นมีมากส่วนที่ว่าการสะกดจิต อาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้ถูกสะกดเช่นทําให้ประสาทอ่อนใจอ่อนไปซึ่งเป็นความเชื่ออยู่พักหนึ่งนั้นในตอนหลังก็พิสูจน์กันได้ว่าไม่เป็นความจริงแต่แน่นอนทีเดียวนายแพทย์หรือบุคคลที่จะทําการสะกดจิตได้นั้นหาได้ยากวิชานี้ไม่สามารถจะเรียนกันได้เหมือนวิชาอื่นไม่เหมือนวิชาการทั่ ว, วไปที่จะตั้งโรงเรียนหรือสํานักสอนโดยมีหลักสูตรวิธีการอันแน่นอนหรือสอบไล่ให้ประกาศนียบัตรกันได้ แม้จะเข้าไปรับการสอนและฝึกฝนจากผู้เชี่ยวชาญก็มีน้อยคนที่จะทำได้สำเร็จเพราะเป็นความเชื่อข้อหนึ่งว่าบุคคลที่จะสะกดใจคนอื่นได้นั้นตัวเองต้องมีกำลังใจแข็งกล้าอย่างเหลือเกินและต้องเป็นกำลังใจในทางจุงจิตหรือบังคับเช่นที่เรียกว่า mastermind หรือ commanding mind การสร้างกำลังใจอย่างนี้ขึ้นในตัวคนก็ไม่ใช่ของง่ายอยู่แล้วผู้ที่สามารถสะกดจิตหรือฝึกฝนตนเอง ให้ทำการสะกดจิตคนอื่นได้ต้องเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยอยู่ในตัวหรือที่เรียกว่ากิฟเตสมากอยู่แล้วด้วยเหตุนี้หนังสือตำราที่จะสอนวิชาการฝึกตนเพื่อให้มีสมรรถภาพทางสะกดจิตนั้นจึงหาได้ยากอย่างหนึ่งเห็นจะเป็นเพราะไม่ค่อยมีใครอยากเขียนผู้ที่มีความสามารถสะกดจิตได้จริงก็ไม่อยากที่จะเขียนออกไปว่าต้นปลูกสมรรถภาพอย่างนั้นได้ด้วยวิธีใด อาจจะเป็นเพราะไม่ต้องการจะให้ใครทำได้เหมือนตัวอย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าเขียนไว้แม้จะเขียนไว้ด้วยความสุจริตใจถ้ามีคนเอาไปปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลก็จะหาว่าผู้เขียนหลอกลวงตำราเรื่องสะกดจิตมีอยู่มากมายแต่ตำราส่วนมากที่สุดดูเหมือนจะเขียนสำหรับผู้ที่สะกดจิตเป็นแล้วเขียนอ่านกันในระหว่างพวกนั้นเองแสดงถึงวิธีการสะกดกล่าวถึงเรื่องคนชนิดใดจะสะกดได้ คนชนิดใดจะสะกดไม่ได้หรือสะกดได้ยากวิธีถอนสะกดจะทำอย่างไรการป้องกันอันตรายในระหว่างถูกสะกดจะทำอย่างไรเมื่อสะกดแล้วจะทำให้การสะกดนั้นเกิดผลที่เป็นคุณประโยชน์ได้อย่างไรหนังสือชนิดนี้มีมากแต่หนังสือที่เขียนสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีความรู้ความสามารถในทางสะกดจิตเลยอยากจะมีสมรรถภาพในเรื่องนี้บ้างนั้นหาได้น้อยเต็มทีมีบางแห่งบางเล่มเขียนไว้อย่างมัวมัว หรือเขียนย่อเกินไปอาจจะเป็นโดยที่ว่าผู้ที่รู้วิชานี้ผู้ที่มีความสามารถทําได้ยังต้องการจะให้เป็นเรื่องลึกลับอยู่แต่อย่างไรก็ดีเท่าที่พอจะหาได้บ้างในเรื่องวิธีการสร้างสมรรถภาพสําหรับสะกดจิตนั้นแม้จะยังมิได้พบตํำรับตําราหรือวิธีการอันเป็นที่พอใจจริงๆก็พอจะรวบรวมจากที่นั่นที่นี่มาประมวลไว้ได้ดังต่อไปนี้หนึ่ง ต้องหัดตัวของเราเองให้มีหัวใจบังคับอย่างเข้มแข็งหัวใจที่อ่อนแอคอยจะเชื่อและคอยจะปฏิบัติตามคําสั่งคําบัญชาของผู้อื่นนั้นไม่สามารถจะมีสมรรถภาพทางสะกดจิตได้หัวใจที่สะกดจิตคนอื่นได้ต้องเป็นหัวใจที่บังคับคนอื่นและวิธีฝึกหัดในเรื่องนี้ก็อยู่ในลักษณะจิตวิทยาทั่วไปซึ่งสอนว่าเห็นใครพบใครให้นึกถึงบังคับไว้เสมอพบใครเข้าแทนที่จะกลัว ให้นึกบังคับว่าดวงจิตของบุคคล น, นี้ต้องอยู่ใต้อำนาจดวงจิตของเราเขาสอนว่าแม้แต่จะนั่งในยดยานสาธารณะเช่นในรถไฟก็ให้เพ่งดูคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าซึ่งนั่งหันหลังให้เราเพ่งบังคับเรื่อยไปว่าดวงจิตของคนคนนั้นต้องอยู่ในอำนาจดวงจิตของเราลองหัดบังคับให้เขาเลี้ยวไปทางซ้ายหรือให้เหลี้ยวไปข้างขวาถ้าเขาเลี้ยวไปจริงจะโดยบังเอิญหรืออย่างไรก็ตามที ให้เรานึกเชื่อและจูงจิตตัวเราเองว่านั่นคือความสำเร็จของเราในทางบังคับแม้ว่าจะเป็นการหลอกตัวเองก็จะช่วยให้กำลังใจของเราดีขึ้น 2. องเครื่องมือสำคัญที่สุดที่จะใช้ในการสะกดจิตคือดวงตาของเราเองฉะนั้นคนที่พูดกับใครโดยไม่มองตาคนจึงไม่สามารถจะสะกดจิตใครได้เป็นอันขาดหรือถ้าดวงตาอ่อนแอไม่สามารถจะสู้ตาใครได้ก็สะกดใครไม่ได้ ผู้ที่จะสะกดจิตใครได้ดวงตาของตนเองต้องเข้มแข็งมากแข็งต่อตาคมแข็งต่อแสงสว่างสู้แสงสว่างอย่างแรงแงได้เรื่องทำตาให้แข็งนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกหัดมากเมื่อสามารถมีใจบังคับและมีดวงตาเข้มแข็งจริงก็อยู่ในขั้นที่จะสร้างสมรรถภาพทางสะกดจิตได้และต่อไปนี้ก็แนะนากันถึงขั้นที่สมเรียกว่าพา ส, สาเรื่องพาสนี้ ดูเหมือนมีความสำคัญมากในทางสะกดจิตคือเขาสอนว่าให้หัดใช้มือของเราเองรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้การรูปนั้นเป็นไปอย่างอ่อนโยนนุ่มนวลและสม่ำเสมอในเวลาเดียวกันก็ให้หัดคิดว่าในขณะที่มือเราลูปนั้นกระแสไฟฟ้าหรือกระแสดวงจิตของเราได้แล่นออกไปตามมือจึงกล่าวกันต่อไปว่าสำหรับผู้ที่เคยทำงานหนักมาจนมือด้านมือแข็งย่อมจะมีความสำเร็จในเรื่องนี้ได้ยาก ผู้ที่มืออ่อนนุ่มทำสำเร็จได้ดีกว่าแต่ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าการรูปนั้นจะต้องนุ่มนวลสม่ำเสมอและว่าต้องฝึกหัดกันมาก 4. มนโนคติของตนเองคือตนเองต้องเชื่อตนเองว่ามีอำนาจที่จะทำอย่างนั้นได้อย่างที่เมสเมอร์เชื่อตัวเองว่าได้รับอิทธิพลจากดวงดาวในการที่จะบอกให้ผู้ถูกสะกดทาอะไรก็ต้องเชื่อใจของตนว่าผู้ถูกสะกดจะทำอย่างนั้น เรื่องฝึกฝนตนเองเพื่อให้ได้สมรรถภาพในทางสะกดจิตก็มีเพียงเท่านี้เท่าที่พบในตำรับตำราเพียงเท่าที่หาได้ไม่ปรากฏว่ามีอะไรมากกว่านี้แต่ถ้าพูดถึงวิธีการที่จะทําการสะกดวิธีที่จะใช้การสะกดให้เป็นประโยชน์เช่นนี้มีหนังสือตำราอยู่มากท่านผู้อ่านอาจจะเข้าใจว่าถ้าเราไม่มีความสามารถในทางสะกดแล้วการอ่านเรื่องวิธีการเหล่านี้จะให้ประโยชน์อะไรข้าพเจ้าก็เคยคิดอย่างนั้น แต่เมื่อลองไปอ่านดูรู้สึกว่ามีเรื่องที่น่ารู้เป็นอันมากถึงแม้เราจะไม่พยายามเป็นนักสะกดจิตข้อความที่เขาเขียนไว้ในทางนี้ก็เป็นวิชาความรู้อย่างประเสริฐและเมื่ออ่านเข้าก็จะทำให้แง่คิดในการฝึกฝนขึ้นอีกหลายประการทั้งๆ ท, ที่ตัวเองไม่เคยฝึกฝนไม่เคยลองทำก็ต้องยอมรับว่าวิธีการที่เขาเขียนไว้นั้นเป็นเรื่องที่นักศึกษาวิชาการทางจิตควรจะได้ศึกษาพิจารณา อย่างน้อยก็มีประโยชน์ในทางสร้างสภาพจิตของเราให้แข็งแรงซึ่งถึงแม้จะไม่นำไปใช้ในการสะกดจิตก็อาจจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างดังที่ท่านผู้อ่านจะได้เห็นต่อไปนี้ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงตกลงใจเขียนเรื่องวิธีการตามตาราที่เลือกเฟ้นเห็นว่าดีที่สุดเขียนไว้เพื่อประกอบความคิดและการค้นคว้าของท่านผู้อา่านและบางทีท่านผู้อ่านอาจจะนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มาก ข้าพเจ้าได้เลือกเขียนจากหนังสือของอิริกคุดดอนซึ่งได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางสกดจิตคนหนึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการของสมาคมค้นคว้าวิชาลึกลับในประเทศอังกฤษและเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้นคว้าวิชาลึกลับข้อความที่ท่านผู้นี้เขียนได้เขียนจากการทดลองด้วยตัวเองเพราะตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเรื่องที่นำมาเขียนในต่อไปนี้จะให้ประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านอย่างน้อย ก็ในทางความรู้เรื่องสะกดจิตซึ่งเราจะได้ฟังจากความคิดเห็นและความชนิดชำนาญของผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงและจากบทเขียนที่เขาเขียนในแง่วิชาการไม่ใช่เขียนอย่างเป็นเรื่องเชื่อ ง, งมง่ายหรือเลหลวไหลเลยท่านผู้นี้ได้ให้หลักว่าเรื่องสะกดจิตนั้นไม่ใช่อย่างอื่นเลยเป็นเรื่องจุงจิตนั่นเองคือเมื่อดวงจิตถูกจุงให้แน่วแน่ไปในทางหนึ่งทางใดก็ย่อมจะสร้างผลดีให้ในทางนั้น ถ้าคนไข่ถูกจุงจิตให้เชื่อแน่ว่าการป่วยไข้ของเขานั้นจะหายก็เป็นกําลังช่วยอย่างประเสริฐที่จะทำให้เขาหายได้เพราะว่าเครื่องรักษาอย่างดีที่สุดสำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บนั้นอยู่ที่กําลังใจของคนไข้เองดวงจิตที่ทำคุณประโยชน์ให้นั้นไม่ใช่ดวงจิตของคนอื่นแต่เป็นดวงจิตของตัวเจ้าของไข้นั่นเองซึ่งเมื่อถูกชักจูงให้แน่วแน่ไปในทางดีก็ย่อมจะสร้างผลดีให้เกิดขึ้นได้ ดวงจิตผู้สะกดไม่ได้เข้าไปรักษาหรือสร้างคุณประโยชน์อะไรให้ผู้สะกดเป็นแต่เพียงผู้จูงจิตเท่านั้นเองนี่เป็นหลักของท่านผู้นี้ซึ่งก็ตรงกับหลักทั่วไปที่กล่าวมาข้างต้นต่อไปนี้ก็เป็นหลักวิธีการต่างๆซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่อไปการทดลองบุคคลว่าจะสะกดได้หรือไม่หลักการเบื้องต้นที่ท่านผู้นี้แสดงออกมา ก็คือควรจะทดลองดูเสียก่อนว่าบุคคลที่จะต้องสะกดนั้นจะเป็นบุคคลที่สะกดได้หรือไม่วิธีการทดลองมีดังนี้หนึ่งให้คนที่จะยอมให้สะกดนั้นควา ม, มือลงบนโต๊ะผู้สะกดเอานิ้วมือของตนจี้ลงที่หลังมือแล้วบอกให้บุคคลผู้นั้นตั้งใจเพ่งให้แน่วแน่อยู่ที่ตรงที่นิ้วกดแล้วบอกว่าอีกประเดี๋ยวหนึ่งจะรู้สึกมีความร้อนและมีอะไรเต้นอยู่ภายในนั้น ถ้ารู้สึกมีความร้อนหรือมีอะไรเต้นอยู่ก็ขอให้บอกให้ทราบถ้าทดลองอย่างนี้ไปเป็นเวลานานคนที่ให้สะกดนั้นยังบอกว่าไม่มีอะไรก็แสดงว่าเป็นบุคคลสะกดยากหรือไม่สามารถจะสะกดได้เลยถ้าสักประเดี๋ยวหนึ่งบอกว่ารู้สึกมีความร้อนมีอะไรเต้นอยู่ก็แสดงว่าเป็นคนที่สะกดได้ 2. ให้คนที่จะยอมให้สะกดยืนเท้าชิดกันตั้งตัวตรง หน้าเงยแงนเล็กน้อยผู้สะกดเข้าไปยืนอยู่ข้างหลังเอามือทั้งสองแตะที่เบื้องหลังของไหลไม่ใช่วางบนไหล่และบอกแก่คนที่ยอมให้สะกดว่ามือของผู้สะกดจะมีความดูดตึงเหมือนแม่เหล็กที่ดูดดึงโลหะเมื่อเขาดึงมือออกไปตัวของผู้นั้นก็จะเอ็งตามไปด้วยการถูกดูดอย่างแรงถ้าเขารู้สึกว่าตัวเขาเอ็นไปก็พยายามขืนแต่ก็อย่าให้แกล้งให้เอ็งตามไปด้วย เมื่อชี้แจงให้เขาเข้าใจอย่างนี้แล้วก็บอกว่าต่อไปนี้จะค่อยๆดึงมือของเขาออกและตัวของคนคนนั้นจะเอ็นตามมาแล้วให้ผู้สะกดค่อยๆดึงมือออกจริงๆแต่ไม่ให้ดึงออกไปให้พ้นจากผู้ที่ยอมให้สะกดนั้นให้ทำโดยตั้งใจเหมือนหนึ่งว่าตัวของตัวเป็นแม่เหล็กที่ดูดเอาร่างคนคนนั้นไปจริงๆปากก็พูดไปมือก็ค่อย ๆ, ๆดึงออกมาพูดให้คนคนนั้นเชื่อว่า ตัวของเขากำลังถูกดูดให้เอ็นมาตามมือผู้เขียนอธิบายว่าการทดลองอันนี้จะได้ผลอย่างแปลกประหลาดคือส่วนมากที่สุดคนที่ยอมให้สะกดนั้นจะเอ็นมาตามมือจนในที่สุดก็จะล้มลงจนผู้สะกดต้องใช้แขนทั้งสองรับไว้ถ้าได้ทดลองดูหลายครั้งด้วยวิธีนี้ยังไม่ประสบผลสำเร็จก็แปลว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่สามารถจะสะกดได้ 3. ให้คนที่ยอมให้สะกด นั่งอยู่ตรงหน้าให้จ้องตาผู้สะกดให้เขาเอามือของเขาประสานกันและบอกให้เขาจ้องตาของเขาไว้ที่ตาของผู้สะกดตลอดเวลาผู้สะกดจะพูดว่ามือของท่านเวลานี้ติดกันแน่นไม่สามารถจะเอาออกจากกันได้ติดแน่นเหมือนถูกใส่กุญแจท่านจะเอาออกไม่ได้ผู้เขียนอธิบายว่ามีมากที่สุดที่คนซึ่งยอมให้สะกดนั้นจะเอามือออกจากกันไม่ได้จริง มือทั้งสองจะประสานกันแน่นอยู่ตลอดเวลาที่ผู้นั้นมองตาผู้สะกดหรือยิ่งกว่านั้นแม้จะไม่มองตาผู้สะกดแล้วหรือผู้สะกดลุกไปแล้วก็ยังเอามือออกจากกันไม่ได้จนกว่าผู้สะกดจะบอกให้เอาออกได้ถ้าได้ทดลองทั้งสามวิธีนี้แล้วยังไม่เห็นผลก็แปลว่าเป็นบุคคลสะกดได้ยากมากหรือไม่สามารถจะสะกดได้เลยผู้เขียนกล่าวต่อไปว่าตามปกตินั้นคนฉลาด และคนที่มีการศึกษาดีย่อมสะกดได้ง่ายกว่าคนโง่คนโง่หรือคนไร้การศึกษานั้นสะกดได้ยากมากส่วนปัญหาที่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นได้ทดลองกันมามากแล้วความเชื่อหรือไม่เชื่อไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ถูกสะกดง่ายหรือยากคนที่ไม่เชื่อเรื่องสะกดจิตเลยอาจจะถูกสะกดได้ง่ายที่สุดคนที่เชื่อมากๆเช่นผู้ที่เลื่อมใสในแพทย์ผู้สะกดอย่างมากนั้นบางทีก็สะกดไม่ลง แพทย์ผู้สะกดจิตหลายคนได้พบความจริงอันนี้จนเป็นที่แน่ใจว่าเรื่องความเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสะกดยากหรือง่ายตามปกติทหารถูกสะกดได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยเป็นทหารผู้เขียนอธิบายว่าเพราะทหารได้รับความอบรมในทางที่ให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ดวงจิตที่ได้รับความอบรมในทางนี้เหมาะจะสะกดได้ง่ายกว่าบุคคลที่ไม่เคยถูกบังคับให้อยู่ในระเบียบวินยัยคนที่กลัวการสะกดจิตคนที่กลัวอันตรายจากการสะกดจิตมักจะสะกดได้ยากเพราะบุคคลเช่นนี้มักจะระวังตัวแม้จะเชื่อว่าการถูกสะกดจิตจะเป็นไปในทางช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บของตัวได้ความกลัวนั้นทำให้ไม่อยากถูกสะกดเลยกลายเป็นคนที่สะกดได้ยากตามคาอธิบายของอ e ีริกคุดดอน เท่าที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็แลเห็นได้ว่าเรื่องสะกดจิตนั้นไม่สามารถจะทำกันได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าผู้ที่มีความสามารถทางสะกดจิตไปพบใครเข้าคนหนึ่งแล้วก็สะกดให้ทำอะไรหรือยอมให้ทำอะไรได้ทุกอย่างการสะกดนั้นตามธรรมดาจะทำได้ในเมื่อยินยอมให้สะกดและแม้แต่ยินยอมให้สะกดแล้วก็ยังไม่สามารถจะสะกดได้เสมอไปดังตัวอย่างที่เห็นมาแล้วข้างตน้น เห็นจะเป็นด้วยเหตุนี้ที่ตำราซึ่งมีหลักฐานเช่น Encyclopaedia Britannica กล่าวไว้ว่าเรื่องอันตรายเกี่ยวกับการสะกดจิตนั้นพูดกันมากเกินความจริงไปวิธีการสะกดจิตวิธีการสะกดคือวิธีทำให้หลับนั้นอิริกคุดดอนได้อธิบายไว้4วิธีคือ 1. การลูบโดยถูกเนื้อต้องตัว 2. การทำท่าลูบโดยไม่ถูกตัวเลย 3. การจ้องในตา4 การจุงจิตด้วยวาจาวิธีที่หนึ่งและที่สองนั้นเป็นวิธีที่นักสะกดจิตคนสำคัญสองคนได้เริ่มใช้มาคือเมสเมอร์ที่กล่าวนามมาแล้วและอีกคนหนึ่งชื่อเอสเดลซึ่งใช้วิธีต่างกันเมสเมอร์ใช้วิธีที่หนึ่งคือรูปโดยถูกเนื้อต้องตัวเมสเมอร์ mer, วางมือทั้งสองลงบนไหล่ของผู้ที่จะถูกสะกดแล้วเลื่อนมือลงไปตามแขน จนกระทั่งถึงปลายนิ้วจับหัวแม่มือของผู้ที่ถูกสะกดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็เลื่อนมือขึ้นไปจับไหล่รูปลงมาอีกอย่างนั้นหลายครั้งหลายหนจนกว่าผู้ที่ถูกสะกดนั้นจะหลับหรือจนกว่าจะแน่ใจว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่สะกดไม่ได้เอสเดลใช้วิธีรูปอย่างเดียวกันแต่ไม่ถูกตัวตามปกติเอสเดลใช้ห้องมืดมืดสาหรับเป็นห้องสะกดยืนอยู่ข้างหน้าผู้ที่จะถูกสะกดทามือเหมือนจะรูป แต่รูปลงมาห่างๆรูปโดยไม่ถูกตัวและในบางครั้งก็เป่าลมอย่างเบาๆที่ในตาและที่ศีรษะของผู้ที่จะถูกสะกดซึ่งให้ผลในทางสะกดให้หลับได้เป็นอันมากสำหรับวิธีที่สมนั้นได้ใช้กันมากคือให้ผู้ที่จะถูกสะกดนั่งลงบนเก้าอี้ซึ่งมีเท้าแขนอย่างสบายในห้องซึ่งมีแสงสว่างเข้ามาข้างเดียวให้ผู้ที่จะถูกสะกดนั่งหันหลังให้แสงสว่างส่วนตัวผู้สะกดนั่งหันหน้าให้แสงสว่าง ดวงตาของผู้สะกดได้รับแสงสว่างช่วยให้มีความแวววาวมากขึ้นผู้สะกดเพ่งมองที่หว่างคิ้วของผู้ที่จะถูกสะกดในระยะห่างราวสองฟุตและขอให้ผู้ที่จะถูกสะกดนั้นมองตาของผู้สะกดในตาของผู้สะกดต้องอยู่สูงกว่าเพื่อให้ผู้ถูกสะกดนั้นเงยขึ้นมองสำหรับให้ในตาของผู้ถูกสะกดรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเร็วขึ้นผู้สะกดบางคนใช้นิ้วมือหรือดินสอหรือวัตถุที่มีเงา แกว่งไปมาอย่างค่อยๆที่ใกล้ดวงตาของผู้ถูกสะกดซึ่งเป็นเครื่องช่วยอีกอย่างหนึ่งสำหรับวิธีที่4คือการจุงจิตด้วยวาจานั้นผู้สะกดใช้วิธีพูดอย่างค่อยๆและอ่อนโยนไม่ใช้วิธีบังคับดุดันพูดไปในทางที่ทําให้ผู้ถูกสะกดเข้าใจว่าเขากําลังนั่งสบายร่างกายของเขาได้รับการพักผ่อนเขาอาจจะหลับอย่างสบายลงไปในเวลานี้ดวงตาของเขาแสดงความอิดโรยต้องการพักผ่อน เวลานี้ดวงตาของเขาฟ้าเกือบจะแลไม่เห็นอะไรแต่เขาก็ยังได้ยินอยู่ความง่วงได้มีขึ้นมาทุกทีในไม่ช้าเขาจะหลับเขาอาจจะหลับเดี๋ยวนี้หรืออะไรในทำนองนี้คำพูดเหล่านี้ผู้เขียนแนะนำให้พูดอย่างช้าๆและอย่าพูดให้ติดต่อกันไปพูดพูดหยุดหยุดเป็นตอนๆไปให้พยายามเฝ้าดูการหายใจของผู้ถูกสะกดห้ามพูดในเวลาผู้ถูกสะกดหายใจเข้าเวลาผู้ถูกสะกดหายใจเข้า ให้นิ่งเสียคำที่จะใช้นั้นให้พูดในเวลาที่ผู้ถูกสะกดหายใจออกนอกจากนี้นักสะกดที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆได้ใช้วิธีผิดแปลกออกไปตามที่จะค้นคว้าหาได้ซึ่งบางทีก็เป็นวิธีผสมเช่นให้มองดูตาด้วยแล้วก็ทำการลูบโดยถูกตัวหรือไม่ถูกตัวด้วยนักสะกดจิตคนหนึ่งชื่ออเล็กซานเดอร์เออร์สไกใช้วิธีนับหนึ่งสาสี่ และขอให้ผู้ถูกสะกดนั้นลืมตาครั้งหนึ่งหลับตาครั้งหนึ่งเช่นเมื่อนับหนึ่งให้หลับตาเมื่อนับสองให้ลืมตาขึ้นเมื่อนับสามให้หลับตาเมื่อนับสี่ให้ลืมตาขึ้นอย่างนี้เป็นต้นผู้ที่ได้เห็นอเล็กซานเดอร์เออร์สก์สะกดจิตด้วยวิธีนี้กล่าวว่าตามปกติผู้ถูกสะกดหลับก่อนที่จะนับถึงยี่สิบถ้าเลยยี่สิบไปแล้วยังไม่หลับก็แปลว่าเป็นบุคคลที่ไม่สามารถจะสะกดได้ นักสะกดจิตอีกคนหนึ่งชื่อวิกตอร์เจนใช้วิธียืนข้างหลังผู้ถูกสะกดแล้วก็เอาปลายนิ้วลูบขมับของผู้ถูกสะกดรูปอย่างเบาๆรูปจากด้านหน้าคือทางหางตาไปทางเบื้องหลังและให้ผลสำเร็จอย่างดีเหมือนกันนายอิริกคุดดอนผู้เขียนตำราที่นำมากล่าวนี้ยืนยันว่าในทุกกรณีถ้าจะให้การสะกดเป็นผลสาเร็จดีแล้วผู้ถูกสะกดหรือผู้ที่ยอมตัวให้สะกด ต้องพยายามช่วยผู้สะกดด้วยคือต้องหวังผลอย่างเดียวกันว่าเพื่อให้ตัวหลับสำหรับจะให้ผู้สะกดใช้ความหลับนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองต่อไปถ้าขัดขืนไม่ยินยอมหรือมีความกลัวอย่างมากหรือพยายามต่อต้านอำนาจของผู้สะกดอย่างหนึ่งอย่างใดการสะกดนั้นจะสำเร็จได้ยากมากโดยมากไม่สำเร็จหนทางที่ผู้ยอมให้สะกดจะช่วยผู้สะกดให้ได้ผลโดยรวดเร็วนั้นยังมีอีกทางหนึ่งคือ ผู้ที่ยอมให้สะกดจะต้องไม่เก็บเอาคำพูดของผู้สะกดมาคิดค้นแยกหาเหตุผลว่าเป็นเพราะเหตุใดทำไมจึงพูดอย่างนั้นเช่นถ้าผู้สะกดพูดว่ามือเขามีความดูดเหมือนแม่เหล็กอาจจะดูดตัวผู้สะกดให้เอ็นมาตามเขาได้ถ้าผู้ถูกสะกดไปคิดถึงเหตุผลว่ามือคนจะเป็นแม่เหล็กได้อย่างไรสามารถจะดึงดูดไปได้อย่างไรหรือถ้าผู้สะกดบอกว่าเขาจะเอามือออกจากกันไม่ได้ ผู้ถูกสะกดไปคิดถึงเหตุผลว่าทําไมจึงจะ อ, ออกไม่ได้เช่นนี้การสะกดนั้นก็ไม่ได้ผลเหมือนกันคือไม่เป็นทางช่วยผู้สะกดถ้าจะช่วยผู้สะกดให้การสะกดนั้นได้ผลรวดเร็วแล้วก็ต้องคิดไปในทางที่จะช่วยด้วยเรื่องเกี่ยวกับดวงจิตเป็นเรื่องที่ต้องการความร่วมมือถ้าเกิดมีการลองดีกันขึ้นแล้วก็จะไม่ได้ผลอะไร เมื่อเขียนตามตำราของออริกคุดดอนมาถึงเพียงนี้ก็ทําให้ข้าพเจ้าระลึกถึงวิธีการเวทมนต์อันหนึ่งของไทยเราซึ่งท่านอาจารย์ผู้หนึ่งที่ได้รับความนิยมนับถืออย่างแพร่หลายในทางช่วยขจัดปัดเป่าเรื่องร้ายด้วยวิธีรดน้ำมนต์ถ้าเป็นเรื่องคดีความที่จะเอาแพ้ชนะและผู้ที่เชื่อว่าเวทมนต์ของท่านจะช่วยให้ชนะได้ไปหาท่านเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีอย่างนี้ท่านมีวิธีตักน้ํากลางแม่น้ําใส่ในไหอยกระเทียม เอากระดาษฟางปิดปากไหายแล้วคว่ำหายนั้นลงโดยไม่ให้น้ําไหลออกเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเพราะความอัดของอากาศจะช่วยไม่ให้น้ําไหลออกการเสกเป่าทําน้ำมนต์ก็ทําในขณะที่หายนั้นวางคว่ำอยู่เมื่อทําน้ำมนต์เสร็จแล้วท่านก็เรียกผู้ที่ขอความช่วยเหลือท่านนั้นเข้าไปยกไหน้ำมนต์เหมือนหนึ่งจะเป็นการเสี่ยงทายคือว่าถ้าจะเป็นฝ่ายชนะไห้น้ำมนต์นั้นจะหนักแน่นยกไม่ขึ้น ถ้าจะเป็นฝ่ายแพ้ก็จะยกไหยน้ำมนตนั้นขึ้นได้โดยง่ายในขณะที่ผู้ขอความช่วยเหลือพยายามยกไหน้ำมนตท่านก็พูดไปด้วยว่าหนักมากหนักยิ่งกว่าหินยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นท่านพูดอย่างนี้เสมอผู้ที่ไม่เข้าใจความหมายเรื่องนี้ไม่เชื่อว่าเป็นการเสี่ยงทายจริงๆและพยายามยกโดยตั้งใจว่าจะยกให้ขึ้นก็ย่อมจะยกขึ้นเป็นธรรมดา ไหนั้นไม่มีน้ำหนักอะไรมากไปกว่าไหาที่บรรจุน้ำเต็มไหหนึ่งเท่านั้นเมื่อไปยกขึ้นเสียแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เสียหมดคือใจของตัวเองก็เชื่อในทางพ่ายแพ้ท่านผู้ที่ทำน้ำมนต์ก็บอกว่าจะต้องทำใหม่ถ้าทำให้ใหม่และไปยกขึ้นเอาอีกก็ต้องเลิกกันเป็นอันว่าพ่ายแพ้แน่นอนไม่สามารถจะช่วยได้ แท้จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องการจูงจิตตามหลักจิตวิทยาทั่วไปคำพูดของท่านในขณะที่ผู้ขอความช่วยเหลือยกไห้ที่ท่านพูดว่าหนักมากหนักอย่างหินหรือยิ่งกว่าหินยกไม่ขึ้นหรืออะไรนั้นก็เพื่อจะจูงจิตให้เป็นไปในทางหนักแน่นมั่นคงเหมือนศิลาใหญ่มห่มาที่ใครไม่สามารถจะพังโคน่นหรือทําให้ล้มราบลงไปอย่างเดียวกับเรื่องสะกดจิตตามที่กล่าวมาข้างต้นคือถือเป็นความสําคัญว่าผู้ที่ไปให้สะกดต้องให้ความร่วมมือแก่ผู้สะกด ผู้ขอความช่วยเหลือเรื่องน้ำมนตก็ต้องให้ความร่วมมือแก่ท่านที่ให้น้ำมนตวิธีอันถูกต้องที่สุดที่ควรจะทำในกรณีอย่างนั้นก็คือเมื่อท่านบอกว่าหนักยกไม่ขึ้นก็ควรทำใจเปรียบเทียบฐานะของตัวเองกับไหน้ำมนนั้นว่ามีความหนักแน่นประดุดศิลาก้อนใหญ่ซึ่งใครจะยกทิ้งหรือพังทำลายหรือทำให้ล้มราบพ่ายแพ้ไปไม่ได้ถ้าทำใจอย่างนี้และตั้งใจไปในทางที่จะไม่ยกไหน้ำมนนั้นขึ้นลงท้ายยกไม่ขึ้น ก็จะได้ผลตามที่ต้องการเรื่องน้ำมนทางไทยเราดังกล่าวมาแล้วข้างต้นอาจจะเปรียบเทียบกันได้กับเรื่องการสะกดจิตคือเมื่อเรายอมเชื่อว่าการกระทำอย่างนั้นเป็นทางดีแล้วก็จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือผู้ที่รับการกระทำควรจะช่วยผู้ทำเพื่อให้ได้ผลตามความประสงค์ในตาราที่มีหลักฐานเช่นตาราของอิริกคุดดอน ที่กำลังนำมาเขียนนี้ยืนยันว่าในเรื่องสะกดจิตนั้นถ้าผู้ที่ให้สะกดไม่ให้ความร่วมมือด้วยแล้วการสะกดนั้นก็ยากมากที่กล่าวมาข้างต้นว่าความเชื่อหรือไม่เชื่อไม่มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสะกดนั้นอันที่จริงก็มีความเกี่ยวข้องอยู่บ้างเหมือนกันคือถ้าผู้ที่เชื่อจะปรองใจให้สะกดด้วยก็ได้ผลเร็วผู้ที่ไม่เชื่อแต่ปรองใจให้สะกดและทำตามคำแนะนำเพื่อเป็นการทดลองก็ได้ผลเหมือนกัน ผู้ที่เชื่อแต่ไม่อยากให้สะกดหรือไม่ปรงใจปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้สะกดการสะกดนั้นก็ไม่ได้ผลนายออริกคุดดอนผู้เขียนตำราที่กำลังนำมากล่าวนี้เองได้เล่าเรื่องซึ่งเกิดขึ้นแก่ตนเองเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างอันดีในการสะกดสำเร็จและไม่สำเร็จคือครั้งหนึ่งนายออริกคุดดอนไปพักตากอากาศอยู่ที่ชายทะเลมีสตรีคนหนึ่งนาเพื่อนของตัวมาหาบอกว่าเพื่อนของตัวนั้นเป็นโรคนอนไม่หลับ ตามปกติเข้านอนตั้งแต่2 2่นาฬกาในเวลาไม่ถึงชั่วโมงสตรีผู้นำมานั้นก็หลับก่อนแต่เพื่อนของเธออาจจะไม่หลับไปตั้งค่คืนขอให้นายเอริก ค, คุดดอนช่วยเหลือในเรื่องนี้เขาได้ให้สตรีผู้นำมานั้นไปนั่งที่เก้าอี้มุมห้องและให้สตรีผู้นอนไม่หลับนั้นนั่งอยู่กับเขาที่กลางห้องเริ่มทดลองเพื่อการสะกดสตรีผู้ที่นอนไม่หลับนั้นก็ไม่มีทีท่าว่าจะไม่เชื่อไม่เลื่อมใสในวิธีการสะกดจิต แต่เป็นคนมีลักษณะอย่างหนึ่งคือฟังคำพูดเกี่ยวกับการสะกดจิตนั้นเป็นเรื่องขบขันไปหมดเช่นเวลานายอิริกคุดดอนบอกว่าท่านกำลังนั่งสบายท่านเริ่มจะง่วงหลับอย่างนี้สตรีผู้นั้นก็หัวเราะหัวเราะอย่างที่อดหัวเราะไม่ได้ไม่ใช่หัวเราะเยาะด้วยความไม่เชื่อไม่เลื่อมใสหรือด้วยเจตนาที่ไม่ดีอย่างไร แต่เป็นผู้หญิงชนิดที่เรียกว่าหน้าเป็นคือคอยจะหัวเราะไปเรื่อยๆยิ่งรู้ว่าคำพูดของนายริกคุดดอนล้วนแต่เป็นคำพูดสมมุติเพื่อจะชวนให้หลับก็ยิ่งหัวเราะเรื่อยนายเอริกคุดดอนได้พยายามสะกดอย่างไรสตรีนี้ก็ไม่สามารถจะหลับได้แต่ตรงกันข้ามสตรีผู้ที่พามาซึ่งไปนั่งอยู่มุมห้องนั้นมีอาการง่วงโงกและจะหลับเสียเองนายริก ค, คุดดอนได้สอบถามสตรีผู้พามานั้นว่า ตัวไม่ใช่เป็นคนถูกสะกดเหตุไฉนจึงจะหลับเสียเองสตรีผู้นั้นบอกว่าเขาสนใจในคำพูดของผู้สะกดมากเกินไปจนรู้สึกว่าตัวเองเกิดง่วงขึ้นมาเองและถ้าหากได้ฟังไปอีกประเดี๋ยวหนึ่งตัวเธอเองจะกลายเป็นผู้ถูกสะกดนายไอริกคุดดอนจึงได้เปลี่ยนวิธีใหม่คือใช้วิธีสะกดจิตอย่างมีกำหนดเวลาซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่ง ได้แก่การสะกดจิตที่ไม่ได้ผลในทันทีทันใดแต่จะไปเกิดผลในเวลาที่กำหนดให้เช่นสะกดไปแล้วและสั่งว่าให้ไปหลับในชั่วโมงนั้นชั่วโมงนี้ก็เคยทาได้เหมือนกันนายเอริกคุดดอนจึงใช้วิธีนี้โดยใช้คำพูดประกอบกับการรูปและสั่งว่าให้ผู้สะกดนั้นหลับคืนนี้อย่างสนิทในเวลายี่สิบนาฬกาสี่ิห้านาทีทำอย่างนั้นแล้วสตรีทั้งสองก็ลาไปรุ่งขึ้นพากันมาอีกและบอกว่า คนที่ถูกสะกดหรือที่ตั้งใจสะกดนั้นไม่หลับแต่อีกคนหนึ่งซึ่งง่วงงอกมาตั้งแต่ตอนกลางวันพอถึงเวลา20นาิกา45นาทีก็หลับทันทีซึ่งตามปกติเขาไม่เคยหลับก่อน22นาฬิกาเป็นอันว่าการสะกดจิตในครั้งนี้ตัวผู้ที่ยอมให้สะกดหรือที่ต้องการสะกดไม่เกิดผลอย่างไรกลับไปเกิดผลแก่อีกคนหนึ่งเรื่องนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า การไม่ปรงใจในความร่วมมือแก่ผู้สะกดนั้นทําให้เกิดผลได้ยากมากอาจจะทาได้แต่เป็นเรื่องยากการคลายสะกดมักจะมีคําว่าอันตรายอันจะเกิดจากการสะกดจิตนั้นคือถ้าผู้สะกดไม่เชี่ยวชาญพอสะกดให้หลับไปแล้วไม่รู้จกคลายสะกดก็จะไม่ตื่นเลยหรืออาจจะเกิดผลร้ายอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้ถูกสะกดในตำราของนายเอริก ค, คุดดอนที่นามาเขียนนี้กล่าวว่า อันตรายอย่างนั้นไม่มีเลยเป็นอันขาดวิธีใครสะกดเป็นวิธีง่ายเพียงแต่ร้องบอกว่าให้ตื่นผู้ถูกสะกดก็จะตื่นขึ้นทันทีสิ่งที่ต้องระมัดระวังไม่ใช่เกรงว่าจะไม่ตื่นแต่จะระมัดระวังในทางที่จะไม่ให้ผู้ถูกสะกดจะต้องตื่นอย่างกระทันหันเพราะถ้าทำให้ตื่นขึ้นในทันทีทันใดอาจจะมีอาการชนิดที่เรียกว่าช็อก หรืออย่างน้อยก็ทําให้หัวใจเต้นแรงเกินไปอย่างเดียวกับคนที่กําลังหลับสนิทมีเสียงอะไรโครมครามมาทําให้ตื่นขึ้นย่อมทําให้หัวใจเต้นแรงและหวาดเสียวเป็นผลร้ายแก่เส้นประสาทในเรื่องสะกดนี้เหมือนกันถ้าไปทําให้ตื่นโดยกระทันหันก็อาจเป็นผลร้ายหลักสําคัญของการคลายสะกดจึงอยู่ที่ต้องทําให้คลายไปทีละน้อยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ได้ใช้วิธีต่างๆกันเช่นว่า 1. ออกคําสั่งแก่ผู้ถูกสะกด ว่าอีกประเดี๋ยวหนึ่งท่านจะตื่นขึ้นท่านกำลังจะตื่นจะกลับท่านกำลังรู้สึกมีความแจม่มใสท่านเริ่มจะตื่นขึ้นแล้วในตาของท่านเกือบจะลืมขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นได้คำพูดเพียงเท่านี้ก็ให้เวลาเพียงพอเท่าที่ผู้ถูกสะกดจะตื่นโดยไม่มีอาการช็อกสองออกคำสั่งแก่ผู้ถูกสะกดว่าอีกสองนาทีท่านจะตื่นแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นอีกสองนาทีก็จะตื่นขึ้น 3. บอกแกผู้ถูกสะกดว่าผู้สะกดนับถึงสิบผู้ถูกสะกดก็จะตื่นแล้วผู้สะกดก็ค่อยๆนับหนึ่งสองสไปจนกระทั่งถึงสิบพอถึงสิบผู้ถูกสะกดก็จะตื่นขึ้น 4. เป่ายางเบาๆที่หน้าและดวงตาของผู้ถูกสะกดซึ่งกำลังหลับค่อยๆเป่าสี่ถึงห้าครั้งแล้วก็สั่งให้ตื่นผู้ถูกสะกดจะตื่นขึ้นอย่างดีหใช้วิธีรูปกลับคือในการสะกดย่อมจะรูปลง จะเป็นการถูกต้องตัวหรือไม่ก็ตามทีถ้าเวลาจะคลายสะกดก็ให้ทำการรูปขึ้นใช้วิธีรูปอย่างเดียวกันแต่ให้เป็นการรูปขึ้นไปแทนที่จะรูปลงอย่างเวลาที่สะกดเมื่อผู้ถูกสะกดตื่นขึ้นแล้วผู้สะกดควรจะเอานิ้วลูบที่ในตาของผู้ถูกสะกดบอกให้ผู้ถูกสะกดมองตาของเขาอีกครั้งและบอกให้เขาแน่ใจว่าบัดนี้เขาตื่นขึ้นเรียบร้อยแล้วทั้งนี้เป็นวิธีคลายสะกดซึ่งผู้แต่งตำราเล่ม น, นี้ยืนยันว่า การคลายเป็นการง่ายกว่าการสะกดเป็นอันมากแต่ถ้าหากด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดเช่นสะกดไว้นานเกินไปจนผู้ถูกสะกดเพลียมากคลายด้วยวิธีใดก็ไม่ตื่นเช่นนี้ก็ให้บอกแต่เพียงว่าบัดนี้การสะกดสิ้นสุดลงแล้วผู้ถูกสะกดจะไม่อยู่ใต้อิทธิพลของผู้สะกดอีกต่อไปถ้าหากผู้ถูกสะกดจะหลับต่อไปก็ให้หลับอย่างปกติและตื่นขึ้นมาเมื่อรู้สึกว่าหลับเพียงพอแล้ว ผู้เขียนตำราเล่มนี้บอกว่าสั่งอย่างนั้นแล้วก็ทิ้งไว้ใหญ่เกี่ยวข้องด้วยอีกเลยในไม่ช้าการหลับด้วยการสะกดก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นการหลับโดยธรรมชาติเมื่อหลับเพียงพอแล้วก็จะตื่นโดยธรรมชาติเหมือนกันเรื่องอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นเพราะไม่สามารถจะคลายสะกดออกได้นั้นเป็นอันไม่มีผลที่พึงจะได้จากการสะกดจิตได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าผลสําคัญที่มุ่งหวังที่สุดจากการสะกดจิตนั้นคือการจูงจิต ให้กำลังใจของผู้ถูกสะกดเองช่วยเหลือเป็นประโยชน์แก่ตนเองเช่นทำให้กำลังต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บซึ่งมีอยู่แล้วในตัวมีปราณีมีชีวิตมีแรงสู้มากขึ้นถึงกับรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้จุงจิตผู้ถูกสะกดให้เห็นและเข้าใจไปว่าโรคภัยที่มีอยู่ในตัวนั้นเป็นแต่เรื่องอุปาทานโรคนั้นไม่มีจริงความเข้าใจอย่างนี้ก็อาจจะล้างให้โรคหายไปได้เหมือนกัน การจุงจิตสามารถจะบังคับส่วนของร่างกายให้เป็นไปตามอำนาจของจิตได้อย่างที่เราเคยได้ยินเรื่องมากมายซึ่งเป็นเรื่องโบราณเกี่ยวกับศาสนาบุคคลสำคัญเช่นเจ้าลัทธิศาสนาสามารถจะจุงจิตคนง่อยเปรี้ยเสียขาให้มีความรู้สึกนึกคิดว่าตัวเป็นคนดีไม่มีความพิกลพิการอย่างหนึ่งอย่างใดและความง่อยเปรี้ยเสียขานั้นก็หายไปได้ เรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องหลอกหลอนแต่เป็นเรื่องที่มีความจริงเกี่ยวกับการจุงจิตนี้เองและดวงจิตในเวลาที่ถูกสะกดให้เข้าสู่ผวังย่อมจะรับการจุงได้ดีกว่าดวงจิตของคนที่กำลังตื่นซึ่งมีสิ่งแวดล้อมทำให้วอกแวกอยู่เสมอหลักสำคัญเกี่ยวกับผลของการสะกดจิตก็อยู่ที่ตรงนี้นายแพทย์ผู้สนใจในเรื่องสะกดจิตก็มุ่งผลในทางนี้มากกว่าทางอื่นเพราะว่ายาดีที่สุดสำหรับรักษาโรคในตัวคนนั้น ก็คือกำลังต่อสู้ในตัวของคนนั้นเองแต่นอกจากนั้นนายเอริกคุดดอนยังได้อธิบายไว้อีกหลายเรื่องซึ่งตนเองและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆเคยทำเป็นผลสำเร็จมาแล้วคำอธิบายในตอนนี้ทำให้เราพบลู่ทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องลึกลับได้หลายอย่างตลอดถึงปัญหาในทางพุทธศาสนาเช่นเรื่องทิพยจักสุหรือบุเพส น, นิวาสนุสติญาณซึ่งเป็นเรื่องอธิบายยาก การพิจารณาตำราของท่านผู้นี้ช่วยให้ความแจ่มแจ้งแก่เราบ้างฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ควรจะพิจารณากันต่อไปในชั้นต้นนายอิริก ค, คุดดอนอธิบายว่าคนที่ถูกสะกดแล้วสามารถจะจูงจิตให้บังคับร่างกายของตอนเองได้อย่างแปลกประหลาดเช่นถ้าบอกว่าตัวของเขาแข็งแรงเหมือนท่อนเหล็กกล้ามเนื้อก็จะรัดตึงและตัวแข็งเป็นท่อนสูงท่อนเหล็กสามารถจะเอาสีสาพาดเก้าอี้ตัวหนึ่งเท้าพาดเก้าอี้อีกตัวหนึ่ง ไม่มีอะไรรองรับในตอนกลางตัวแต่ก็มีความแข็งแรงพอที่คนจะขึ้นไปนั่งไปยืนได้ท่านผู้นี้อธิบายว่าเรื่องการเกรงกล้ามเนื้อก็ไม่ใช่สิ่งเกินวิสัยธรรมดาของมนุษย์นักกายบริหารที่เก่งมากสามารถจะแข็งตัวและรับน้ำหนักได้มากๆเหมือนกันแต่ผู้ที่ถูกสะกดนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นนักกายบริหารแม้แต่สตรีที่มีร่างกายอ่อนแอก็สามารถจะมีตัวแข็งเป็นท่อนสูงท่อนเหล็กไปได้ การได้ยินก็ดีการได้กลิ่นก็ดีการรู้รสก็ดีจะเป็นไปตามที่ผู้ถูกสะกดสั่งคือผู้สะกดจะสั่งให้ได้ยินเสียงเฉพาะเสียงของใครหรือได้กลิ่นอย่างหนึ่งทําให้รู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็ย่อมทาได้เรื่องเสียงและกลิ่นเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากแต่เรื่องรสนั้นพิสูจน์ง่ายเมื่อถูกสะกดแล้วเอาดีเกลือถ่ายท้องเช่นอีโนและลายอย่างหนักอย่างข้นแล้วบอกว่าเป็นน้าหวานธรรมดา ผู้ถูกสะกดจะดื่มสบายดื่มอย่างดื่มน้ำหวานตามธรรมดาถ้าไม่ใช่ถูกสะกดดื่มดีเกลือมากอย่างนั้นจะต้องอ้วกออกมาแต่การอ้วกอย่างนั้นหรือแม้แต่เรอซึ่งเป็นปกติของการรับประทานดีเกลือก็ไม่มีเลยในเรื่องบังคับรสได้นี้ผู้เชี่ยวชาญทางสะกดจิตได้เอามาใช้ประโยชน์ในทางที่ตรงกันข้ามคือทําให้ของที่ผู้ถูกสะกดเคยชอบติดกลับเหม็นและเปื่อหนไปได้นอีริก ค, คุดดอนเขียนเล่าไว้ว่า ได้ใช้วิธีสะกดจิตทำให้คนเลิกสูบบุหรี่ไปได้เป็นจำนวนมากคนเหล่านั้นเป็นคนสูบบุหรี่จัดและมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในตัวแพทย์จะแนะนำให้สูบบุหรี่น้อยลงไม่สามารถจะลดลงได้เขาได้เอามาสะกดจิตและบอกว่า บุหรี่คือสิ่งที่มีกลิ่นเหม็นแรงร้ายเป็นพิษแก่ร่างกายอาจจะทำให้อาเจียนหรือวิงเวียนพอจุงจิตได้อย่างนี้แล้วลองเป่าควันบุหรี่เข้าไปอาการวิงเวียนก็เกิดขึ้นทันทีพอคลายสะกดแล้วยังเหม็นบุหรี่ไปอีกหลายวันไม่สามารถจะสูบหรือแม้แต่ได้กลิ่นพอกลับจะอยากสูบขึ้นมาอีกก็เอามาสะกดอีกเพียงสองสามครั้งเลยเหม็นบุหรี่ไปตลอดการท่านผู้นี้กล่าวว่า นอกจากจะขจัดการติดบุหรี่ได้แล้วยังได้พบคนไข้ที่ติดมอร์ฟีนอย่างเดียวกับคนติดฟิลและสามารถทำให้เลิกการเสพติดอันนี้ได้ด้วยวิธีการสะกดจิต ด, ดังกล่าวมาข้างตน้นในอิริกคุดดอนยืนยันว่าคนที่เมาเคลื่นเก่งนั้นการสะกดจิตสามารถช่วยให้เป็นคนทนคลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ต่อไปนี้เป็นการทดลองบางเรื่องซึ่งนายเอริก ค, คุดดอนได้ทำในที่ประชุมสมาชิกของสมาคมค้นคว้าวิชาลึกลับและซึ่งที่ประชุมต้องยอมรับว่าเป็นผลแห่งการสะกดจิตแท้ไม่ได้มีการหลอกลวงอย่างหนึ่งอย่างใดเอาสตรีคนหนึ่งไว้ในห้องหนึ่งและบอกให้นอนอยู่บนเก้าอี้ยาวปิดประตูห้องนั้นโดยไม่ให้ใครเข้าไปเกี่ยวข้องเอาสตรีอีกคนหนึ่งมาทำการสะกดจิตในห้องประชุม ซึ่งทั้งผู้สะกดและคนทั้งหลายก็อยู่ในห้องประชุมนั้นไม่มีใครรู้ว่าสตรีที่อยู่อีกห้องหนึ่งนั้นจะทำอย่างไรเมื่อสะกดแล้วก็ถามผู้ถูกสะกดว่าสตรีอีกห้องหนึ่งนั้นกำลังทำอะไรได้รับตอบว่าเขากำลังนอนอยู่นอนอยู่บนเก้าอี้ซึ่งไม่เป็นการแปลกอะไรเพราะสตรีผู้นั้นได้รับคำตอบว่าให้อยู่กับที่อีกประเดี๋ยวหนึ่งผู้ถูกสะกดบอกว่าสตรีผู้นั้นลุกขึ้นนั่ง ที่ประชุมจึงให้คนไปเปิดประตูดูก็เห็นสตรีผู้นั้นนั่งจริงๆการทดลองที่ได้ผลอย่างนี้ทําให้เกิดความคิดขึ้นว่าเรื่องสะกดจิตอาจจะใช้ได้ในวิธีการที่ฝรั่งเรียกว่าชัยวญยหรือที่ทางธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าทิพยจักสุแต่การทดลองในทางนี้ไม่ได้ผลบ่อยนักจึงไม่สามารถจะเชื่อว่าจะใช้วิชาสะกดจิตสาหรับมองลอดไปดูอะไรต่ออะไรให้ได้ผลจริงๆ แต่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากเพราะถ้าการสะกดจิตให้ได้ผลในทางไชยวญนนี้จริงแล้วการค้นหาของหายหรือการตามจับผู้ร้ายก็คงจะได้ผลมากนายอิริกคุดดอนได้ลองสะกดสตรีผู้หนึ่งแล้วก็บอกว่าเวลานี้ตัวของเขากําลังลอยอยู่ในจักรวาลซึ่งเต็มไปด้วยดวงวิญญาณขอให้เขาบอกว่าเขาพบดวงวิญญาณของใครบ้าง และได้พูดจากันว่ากร ะ, ะไรบ้างสตรีผู้ที่ถูกสะกดนั้นนิ่งอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็ตอบว่าได้พบดวงวิญญาณของพี่ชายมาต่อว่าเธอไม่ได้มีจดหมายถามข่าวคราวภริยาของเขามานานแล้วและเวลานี้ภริยาของเขาก็ป่วยเธอควรจะถามข่าวคราวและช่วยเหลือบ้าง เมื่อได้คลายสะกดออกและซักถามสตรีผู้นั้นดูก็ได้ความว่าพี่ชายของเธอถึงแก่กรรมไปนานแล้วแต่พริยายังอยู่อยู่ต่างเมืองกันสตรีผู้นั้นเคยมีจดหมายไต่ถามข่าวคราวอยู่เสมอเหมือนกันแต่ได้ว่างเว้นมาเสียนานแล้วข้อที่ต้องการทราบกันจึงมีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องที่ว่าพริยาของพี่ชายกำลังป่วยนั้นเป็นความจริงหรือไม่จึงรีบถามข่าวกันโดยรีบด่วนและก็ได้ความว่าพระยาของพี่ชายสตรีผู้นั้นป่วยจริง การทดลองได้ผลอย่างนี้เป็นเรื่องตื่นเต้นของพวกนักวิญญาณศาสตร์คือพวกที่เชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณเพราะเป็นการพิสูจน์อันหนึ่งว่าวิญญาณนั้นมีอยู่จริงและดวงวิญญาณที่ถูกสะกดสามารถจะติดต่อกับวิญญาณได้มีถึงสองครั้งครั้งหนึ่งผู้สะกดชื่อนายแพทเวิร์กซันและอีกครั้งหนึ่งนายออริกคุดดอนเป็นผู้สะกดเองทั้งสองครั้งผู้ถูกสะกดบอกว่า เมื่อก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้เคยเกิดเป็นคนคนหนึ่งบอกชื่อและตำบลที่อยู่ให้อย่างละเอียดบอกลูกเต้าญาติพี่น้องบอกได้จนกระทั่งว่าเก็บอะไรไว้ที่ไหนและเมื่อไปสอบค้นกันเข้าก็ปรากฏว่าอยู่ห่างไกลกันมากและคนในครอบครัวนั้นไม่เคยรู้จักผู้ถูกสะกดแต่ผู้ที่ถูกสะกดบอกได้ถูกต้องอย่างนั้นแสดงว่าดวงจิตที่สะกดแล้วสามารถที่จะล่วงรู้ไปถึงกาเนิดชาติก่อนของตน คนที่นายอิริก ค, คุดดอนสกดเองนั้นบอกกําเนิดชาติก่อนถึงคนละประเทศคือสะกดผู้หญิงอังกฤษในประเทศอังกฤษบอกว่าเคยเกิดที่กรุงโรมบอกตําแหน่งแห่งที่ชื่อบิดามารดาญาติพี่น้องรายละเอียดของที่อยู่และอะไรต่ออะไรต่างๆซึ่งเมื่อไปตรวจสอบกันเข้าจริงๆก็ได้ความถูกต้องทุกประการเรื่องในตอนหลังนี้อาจเป็นเรื่องสนับสนุนพระธรรมของพระพุทธเจ้าเรื่อง บุพเพนิวาสานุสติญาณซึ่งเป็นเรื่องพิสูจน์ยากหนักหนาแต่ในทางสะกดจิตซึ่งทำกันในสมัยใหม่นี้เองก็ให้พิสูจน์ได้อย่างนี้เรื่องบุพเพส น, นิวาสานุสติญาณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องที่เชื่อได้เรื่องที่ทำได้ง่ายที่สุดในการสะกดคือเรื่องที่ฝรั่งเรียกว่า Impersonation คือบอกให้ทำเป็นตัวใครก็ทำได้ผู้ที่สะกดแล้วถ้าผู้ถูกสะกดบอกว่า เวลานี้เขาเป็นเด็กอายุสามขวบผู้ถูกสะกดจะทําท่าทางเหมือนเด็กอายุสามขวบไม่มีผิดถ้าบอกว่าเขากําลังเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีชื่อเสียงและรู้จักกันทั่วไปเขาจะทําท่าทางเหมือนตัวละครนั้นอย่างไม่ผิดเพีย้ยนนายเอริกคุดดอนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลองง่ายและลองได้ผลเสมอมาถึงตอนนี้ก็ทําให้เราเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าวิธีการที่ไทยเราเรียกว่าเข้าผีซึ่งชาวชนบทชอบเล่นกันในยามตรุษสงกรานนั้น ก็ไม่ใช่อะไรเลยคือการสะกดจิตนี้เองในอายุ ข, ของข้าพเจ้าขณะที่ยังเป็นเด็กเคยเห็นการเข้าผีด้วยตาของตนเองมากหลายในยามตรุษสงกรานชาวบ้านชนบทชอบเล่นกันวิธีการที่ข้าพเจ้าเคยเห็นเป็นดังนี้เอาครกตาข้าววางคว่าลงให้คนที่ยอมรับเป็นตัวเข้าผีขึ้นนั่งบนครกนั้นเอาผ้าผูกตามือถือทูปซึ่งจุดบูชาคนอื่นๆนั่งล้อมรอบ มีไม้ไผ่เป็นลำลาวางไว้คนที่นั่งล้อมรอบนั้นถือไม้ชิ้นเล็กๆเคาะบนไม้ไผ่เหมือนตีเกราะเคาะให้พร้อมกันพร้อมกับคำร้องสำหรับเชิญผีมีผีหลายชนิดผีปลาผีลิงผีหนูแม่สีนางดงและอื่นๆผีชนิดหนึ่งก็มีวิธีร้องอย่างหนึ่งคำร้องนั้นไม่รู้ว่าใครแต่งแต่ใช้กันมาตั้งแต่บโบราณและเป็นคำที่ดีมากเช่นว่าเชิญเอย๋ยเชิญลง เชิญพระองค์ทั้งสีทิศองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์ให้เนรมิตลงมาเสียงร้องและเสียงเคาะไม้อย่างได้จังหวะเป็นการสะกดจิตโดยไม่ต้องสงสัยผู้เข้าผีนั่งอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็จะเห็นทูปสัน่นและตัวคนก็สั่นไปด้วยเมื่อเห็นเริ่มสัน่นก็ร้องและเคาะให้จังหวะเร็วเข้าพอหยุดสั่นก็เป็นอันว่าผีเข้าเรียบร้อยแก้ผ้าผูกตาออกมีผ้าผูกสเสอไว้มีชายสำหรับถือมีคนเป็นพี่เลี้ยง คอยถือชายผ้าไว้ข้างหลังเพื่อไม่ให้วิ่งหนีไปได้การเข้าผีอย่างนี้ก็เป็นอิมเพอร์เซชันโดยแท้เพราะวิธีเข้าผีนั้นเป็นวิธีที่ลือกันว่ายามตรุษสงกรานเป็นเรื่งงามยามดีเชิญผีลงมาเล่นกับมนุษย์เพื่อการรื่นเบริงสนุกสนานคำว่าผีในที่นี้ก็มีความหมายอย่างคำไทยโบราณคือไม่ใช่พูดผีปีศาจร้ายแต่หมายถึงเทวดาฉะนั้นจึงได้มีคาเชิญว่าเชิญพระองค์ทั้งสีทิศ องค์ไหนศักดิ์สิทธิ์ให้เนรมิตลงมาเป็นเรื่องเชิญเทเวดาลงมาเล่นกับมนุษย์ในนักขัดทะเลกพิเศษคราวสำคัญเช่นตรุษสงกรานผลของการเข้าผีนี้แลเห็นได้สองอย่างอย่างหนึ่งคือคนที่รำไม่เป็นเลยเมื่อได้ฟังเสียงร้องให้รำก็รำได้ถูกต้องบทบาทและรำดีด้วยเนื่องจากเหตุนี้เรื่องเข้าผีในยามตรุษสงกรานจึงไม่มีใครรังเกียจ แม้ลูกของคนที่มีทรัพย์มีหลักฐานและเป็นเด็กรุ่นสาวพ่อแม่ก็ยังยินยอมให้เป็นตัวเข้าผีเพื่อดูรำสวยๆผลที่แลเห็นอย่างหนึ่งก็คือเมื่อผีเข้าแล้วบุคคลผู้นั้นก็แสดงกิริยาอาการอย่างลักษณะของผีที่เชิญเข้าคือถ้าเป็นผีปลาก็จะต้องตักน้ำมาให้วักเล่นสักถังใหญ่ๆก่อนมิฉนั้นก็จะไม่ยอมรำหรือทาอะไรได้ถ้าเป็นผีลิง ก็สามารถจะปีนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่วและปีนได้รวดเร็วผิดมนุษย์ธรรมดาถ้าเป็นผีหนูก็สามารถรับประทานพริกได้และเมื่อผีออกไปแล้วก็ไม่มีความรู้สึกเผ็ด ร, ร้อนในปากอย่างไรเรื่องเข้าผีอย่างที่ว่านี้ในอายุของข้าพเจ้าเมื่ อ, อยังเป็นเด็กยังได้เห็นทํากันอยู่เป็นอันมากในชนบทและทํากันได้อย่างปลอดภัยไม่มีอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดวิธีที่จะให้ผีออกนั้นก็ทํากันอย่างง่ายๆคือเป่าที่หู หรือทำเสียงร้องอะไรที่หูเพียงเล็กน้อยผีก็ออกเป็นวิธีเดียวกับเรื่องการสะกดข้าพเจ้าเข้าใจว่าเรื่องเข้าผีโบราณของไทยเรานี้ก็ไม่ผิดอะไรกันกับการชุมนุมเรียกวิญญาณหรือแสดงการสะกดจิตในที่ชุมนุมเช่นในโรงละครหรือสโมสรสถานซึ่งทํากันอยู่ในกรุงลอนดอนกรุงปารีสหรือเมืองสําคัญอื่นๆในยุโรปจนกระทั่งถึงเวลานี้และเรื่องเข้าผีของเรานี้ก็เป็นการสะกดจิตนั่นเอง นอกจากเรื่องเข้าผีซึ่งเป็นการเล่นของประชาชนในยามนักขัต ร, ริกกเช่นที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเรายังมีการทรงเจ้าเข้าผีซึ่งดูเหมือนจะได้แบบอย่างมาจากจีนแต่การทรงเจ้าเข้าผีนั้นเป็นการสะกดตัวเองเท่าที่เคยเห็นก็คือคนที่เคารพ บ, บูชาเจ้าผีจุดธูบบูชาประนมมือนั่งนิ่งประเดี๋ยวหนึ่งก็มีอาการสันโยกไปมา พอหมดอาการสั่นก็เป็นอันว่าเข้าเรียบร้อยอาจใช้ประโยชน์ในทางทํานายหรือขอให้ช่วยเหลือในกิจการบางอย่างเรื่องการทํานายหรือช่วยเหลืออย่างใดๆนั้นจะเป็นผลสําเร็จเพียงไรไม่ค่อยแน่นักแต่ลักษณะที่ทรงเจ้าเข้าผีนั้นก็มีความแปลกประหลาดให้แลเห็นเช่นดื่มสุราอย่างแรงโดยไม่ใส่น้ําหรือโซดาผสมดื่มได้ถ้วยโตๆเหมือนดื่มน้ำํำข้าพเจ้าเคยเห็นทรงเจ้าดื่มสุราอย่างแรงเช่นนี้รวดเดียวได้ตั้งครึ่งขวด ดื่มติดต่อกันเหมือนดื่มน้ำถ้าเป็นคนธรรมดาแม้จะเป็นนักเลงสุราที่เก่งสักเพียงไรก็ไม่สามารถจะดื่มอย่างนั้นได้และภายหลังที่หมดการทรงเจ้าหรือผีออกไปแล้วก็ไม่ปรากฏอาการเมาหน้าตาก็ไม่แดงไม่มีความเปลี่ยนแปลงแต่อย่างหนึ่งอย่างใดดูประหนึ่งว่าสุราอย่างแรงที่ดื่มเข้าไปอย่างมากมายเป็นเหมือนน้ำแท้ๆเห็นได้ว่าเรื่องทรงเจ้าเข้าผีก็เป็นการสะกด แต่เมื่อสะกดจิตแล้วจะไปติดต่อกับเท พ, พเจ้าหรือพูดผีดวงวิญญาณได้จริงหรือไม่ยังไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้แม้ในบรรดานักวิญญาณศาสตร์ของฝรั่งที่พยายามใช้เรื่องการสะกดจิตในทางติดต่อกับดวงวิญญาณก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างที่ได้ผลอย่างแปลกประหลาดมหัศา์จนน่าเชื่อว่าได้ติดต่อกับพู้ผีปีศาจหรือดวงวิญญาณจริงนั้นมีเป็นส่วนน้อย จึงยังไม่สามารถที่จะวางหลักลงไปได้ในข้อนี้ให้เป็นที่เชื่อแน่นอนได้ในเรื่องใช้วยันต์คือเรื่องที่พยาจักษุก็เหมือนกันการทดลองก็ยังได้ผลน้อยในการทดลองครั้งหนึ่งซึ่งทั้งตัวผู้สะกดและผู้ถูกสะกดอยู่ในห้องหนึ่งให้คนอีกคนหนึ่งออกไปทำอะไรอีกห้องหนึ่งโดยที่ตัวผู้สะกดหรือผู้ถูกสะกดไม่แลเห็นผู้ถูกสะกดบอกถูกบ้างแต่ไม่หมดเคยมีการทดลองกันครั้งหนึ่ง คือผู้สะกดและผู้ถูกสะกดอยู่ในห้องห้องหนึ่งเมื่อสะกดเรียบร้อยแล้วก็ให้คนอีกคนหนึ่งออกไปอีกห้องหนึ่งผู้สะกดสั่งผู้ถูกสะกดว่าให้ติดตามดูว่าคนนั้นไปทําอะไรคนที่ออกไปอีกห้องหนึ่งนั้นเข้าไปจุดไม้ขีดไฟแล้วกระดับเดินมองที่หน้าต่างประเดี๋ยวหนึ่งหันกลับมาหยิบของสิ่งหนึ่งย้ายที่จากตู้มาวางบนโต๊ะกลางห้องเปิดไฟฟ้าขึ้นแล้วก็ปิดผู้ถูกสะกดบอกได้แต่เพียงว่า คนคนนั้นไปยืนมองที่หน้าต่างแล้วก็หยิบย้ายของจากตู้มาวางบนโต๊ะสองอย่างนี้บอกได้ถูกต้องครั้นถามว่าทำอะไรอีกหรือไม่บอกว่าไม่ได้ทำอะไรอีกนอกจากนั้นเป็นอันว่าเรื่องไม้ขีดไฟและเปิดไฟฟ้านั้นผู้ถูกสะกดบอกไม่ได้การทดลองที่ทำกันมากคือเรื่องไพ่อันที่จริงเรื่องไพ่หรือตัวเลขหรืออะไรก็ตามทีถ้าปล่อยให้ผู้ถูกสะกดเห็นและรู้ผู้ถูกสะกดจะบอกได้หมดทุกอย่างเพราะผู้ถูกสะกด รับกระแสจิตไปจากผู้สะกดได้แต่ถ้าไปทำในห้องอื่นโดยไม่ให้ผู้สะกดเห็นเลยแล้วผลที่ได้ไม่แน่นอนนักได้เคยทดลองโดยวิธีให้ผู้ถูกสะกดอยู่ในห้องหนึ่งแล้วให้คนอีกคนหนึ่งไปอยู่อีกห้องหนึ่งหยิบไพ่ขึ้นทีระบยลองหยิบดูห8ครั้งได้ผลอย่างนี้บอกถูกว่าเป็นสีแดงหรือสีดำาส้าครั้งผิด23าครั้งบอกถูกว่าเป็นลายอะไรคือเป็นโพดํา หรือเป็นดอกจิกและอื่นๆ36ครั้งผิด32ครั้งบอกตัวเลขได้ถูกต้องเพียง12ครั้งนอกนั้นผิดหมดการทดลองนี้ได้ผลเพียงเท่านี้ทำให้เชื่อได้น้อยเต็มทีหรือเกือบจะเชื่อไม่ได้เลยว่าเรื่องสะกดจิตนั้นสามารถจะใช้ในทางมองทะลุปรุปโปรง่งแต่พวกนักค้นคว้าในทางนี้ก็ยังพยายามหาวิธีให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเพราะยังมีความเชื่อว่าการสะกดจิต อาจจะให้ผลประโยชน์ในทางชัยวย์หรือทิพยจักศูได้มีลักษณะอีกสองอย่างซึ่งทดลองกันหลายครั้งหลายหนและได้ผลอย่างเชื่อได้ว่าเป็นลักษณะอันหนึ่งของการสะกดจิตแต่ก็เป็นเรื่องที่ผู้ค้นคว้าในทางนี้ยังอธิบายไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรคือเมื่อถูกสะกดเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่า ผู้ถูกสะกดมีความรู้สึกออกมานอกตัวของตัวราวสองถึงสเซนติเมตรคือถ้าลองทำท่าหยิกดูโดยไม่ได้หยิกที่ตัวผู้ถูกสะกดแต่ทำท่าหยิกให้ห่างสักสองถึงสเซนติเมตรทำเข้าที่ตรงไหนผู้ถูกสะกดจะร้องว่าถูกหยิกที่ตรงนั้นและร้องอย่างเจ็บปวดเหมือนหนึ่งว่าถูกหยิกเข้าที่เนื้อจริงๆอีกเรื่องหนึ่งเมื่อถูกสะกดเรียบร้อยแล้วลองเอาตุ๊กตาตัวหนึ่งใส่เข้าในมือของผู้ถูกสะกด ผู้ถูกสะกดนั้นจะกำแน่นและพยายามที่จะเอาตุกตาออกจากมือของผู้สะกดนั้นและทำได้ด้วยความยากลำบากครั้นเมื่อเอาออกมาได้แล้วลองเอาตุ ก, กตานั้นไปอีกห้องหนึ่งถ้าทำอะไรแก่ตุกตาตัวนั้นเข้าผู้ถูกสะกดจะร้องเจ็บปวดเหมือนทำแก่ตัวเองลองถอนผมของตุ ก, กตานั้นผู้ถูกสะกดจะร้องว่าตัวเองถูกถอนผมลองหยิบตุกตานั้นเข้าไปที่ไหนผู้ถูกสะกดจะร้องว่า ตัวถูกหยิกถูกทำให้เจ็บในที่ตรงนั้นพ้นที่เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นไม่เฉพาะแต่เวลาที่ถูกสะกดได้มีการทดลองเอาของสิ่งหนึ่งใส่ในมือของผู้ถูกสะกดใส่ไว้ประเดี๋ยวหนึ่งก็เอาออกและเอาไปซ่อนโดยไม่ให้ผู้ถูกสะกด ร, รู้เมื่อใครสะกดเสร็จแล้วในเวลาที่ห่างกันมากห่างกันตั้งหลายชั่วโมงลองเอาของนั้นไปอังไฟผู้ถูกสะกดที่ลายสะกดแล้วนั้นจะรู้สึกร้อนและร้องบอกว่าตัวร้อนเหมือนถูกไฟ ถ้าเอาของนั้นไปใส่ในที่เย็นเช่นในตู้เย็นผู้ถูกสะกดซึ่งคลายสะกดมาแล้วตั้งหลายชั่วโมงนั้นจะหนาวสั่นสถานเรื่องที่เป็นเช่นนี้ชวนให้เรานึกไปถึงเรื่องคุณใสเรื่องฝังรูปฝังรอยที่เชื่อกันว่าอาจจะทำอันตรายแก่มนุษย์อย่างร้ายแรงถึงตายได้แต่จะนำมาอธิบายให้เข้ากันได้อย่างไรยังไม่พบทางอธิบายที่แน่นอน แต่ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผู้สนใจค้นคว้าวิชาลึกลับในทางนี้ควรจะได้พิจารณาและเนื่องจากเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงได้กล่าวมาข้างต้นว่าเรื่องสกดจิตนี้เป็นความรู้ที่สาคัญอันหนึ่งและอาจจะแก้ปัญหาให้ความกระจ่างแก่เราในเรื่องที่เรายังไม่รู้ว่าอะไรแน่หากจะไม่ได้ความกระจ่างแจ้งในเวลานี้ก็อาจเป็นทางให้ค้นคว้าหาความรู้ความเข้าใจกันต่อไปข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านผู้อา่าน ก็คงจะมีความคิดอย่างเดียวกับข้าพเจ้าว่าเรื่องสะกดจิตเท่าที่กล่าวมานี้แม้จะเป็นเรื่องที่เราทำไม่ได้หรือไม่อยากทำก็เป็นการให้ความรู้และให้ทางอธิบายเรื่องลึกลับเกี่ยวกับดวงจิตอย่างน่าสนใจเราจะต้องให้หน้ากระดาษในหนังสือเล่มนี้อีกสักบทหนึ่งสำหรับพูดถึงปัญหาเรื่องใหญ่เรื่องนี้ต่อไปอีก